จะเริ่นทำทุกคนาวันนี้วันอังคารที่ส9เกสิงหาคมส5 5 7ห้ารห้าบเจ็ดแรมเก้าคำเดินเก้า ว, เาวันนี้แรมเก้าคำเดินเก้านะาวันที่ก็วันที่ส9เก้า แรมก็แรมก้าวขาเดินก้านะสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดก็ยี่สิบเก้าก็ไม่ใช่สิบเก้าะพุทธชีวศิลป์ก็ครั้งที่เก้าโอ เนี่ยสองบวกห้าบวกห้าบวกเจ็ดนี่ได้เท่าไหร่สิบเก้าวันที่สิบเก้าปศบวกกันแล้วสิบเก้าแรมเก้าขเดินเก้าปีมามียพุทธชีวศิลป์ครั้งที่เก้าจะเอาไกันอีกฮะฮะ รังคารสัรค้าสร้างคนเหรออ้าวไม่ใช่ศิวศินเหรอฮะพรุ่งนี้เหรออ๋อยังงั้นเหรอฮะฮะขาวที่แล้วสันค้าสร้างคนอ้าวขาวนี้ก็ิชศิสิอาตมาก็้าชิดพุทธศวินะ อ่ามันไม่ได้ไปจำเพาะวันวันนะมันไม่ได้เปแม่นวันวันมันมันผ่านมันมันไม่ได้ไปฟิกว่าวันนั้นจะต้องวิชานั้นมันไม่ใช่นะโอ้กูไปจําอย่างงั้นเหรอไม่ใช่อ่ามีพอวันพระหาสวันเดียวที่ิฟิกว่าให้เด็กเข้าวันแรงนี้มันแปลผันเพราะไอ้วันเด็กนี่แหละเด็กมันฟิกวันอื่นก็เลยแปลผัน พุทธชีวศิล์กาสันค์น่าสร้างคนมันก็เลยแปลมันไปฟิกวันไม่ได้หรอกเอาพุทธชีวศิล์กันลวกันเอาต่อปฏิจสมุบาติ์ก็มาตั้งแผ่นเสียงใหม่ลงหมุนกลับมาที่ต้นแล้วก็วนหมุนไปใหม่ าอาตมาได้ทวนย้อนมาเรื่อยๆนะทอ ย, ย้อนทวนมาตั้งแต่สังขารอาวิช า, าเป็นต้นเหตุอวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารนะเพราะฉะนั้นสังขานี่มันเกิดขึ้นมามันก็เกิดโดยที่เราไม่มีความรู้ไม่มีวิชา มันก็เลยเกิดไปกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารมันก็เกิดไปแล้วมันก็ปรุงแต่งมีกิเลสปรุงแต่งผสมผสานในสังขารเหล่านั้นขึ้นมาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แต่สังขารทั้งหลายก็ทำให้คนทุกข์ไปอยู่นั่นแหละนะไม่ด้วยรู้มันเพราะอาวิชชาสรุปแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีวิชา เ ร, รเราจะรู้จั ก, กสังขารเราจะรู้จักสังขารกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารเราจะรู้จักกายสังขารคืออะไรวจีสังขารคืออะไรจิตสังขารคืออะไราอาตมาว่าอาตมาก็พูดวนพูดซ้ำอยู่ตรงนี้เยอะแล้วแล้วก็ต้องเยอะไปอีกเพราะรู้สึกว่ามัน มันไม่ง่ายมันที่จะเข้าใจเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วมันจะโล่งเลยมันจะไปได้ไกลเลยเพราะนาตมาจะสรุปไม่ฟังเลยว่าถ้าคนมีวิ ช, ชาเนี่ยนะคนมีความรู้เนี่ยจะรู้ว่าสังขาร น, นี่แหละมันเป็นตัวทุกข์สัพเพสังขาราทุกขา น, นี่สังขาร น, นี่แหละมันพาเป็นทุกข์ และมันทุกเพราะมันไม่รู้จักสังขารเพราะาวิชาจะไม่รู้จักสังขารท่านแยกไว้สมสังขารเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ากายแลวมันสังขารคือกายมันยังไงสังขารคือวาจีคือ ย, อยังไงสังขารคือจิตคือยังไงสังขารมันก็คือการมันบวกลบคูณหารปรุงแต่งกันอะไรแต่งกันไปเหตุอะไรปัจจัยอะไรมันก็นหลอกันเละปรุงเออกมา ยำเส็งเลยเป็นแกงโะเลยมีอะไรก็ลงมาเป็นแกงโ霍เลยได้อะไรใส่เข้าไปเทไว้ลงมาเป็นแกงโ霍นมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่าแล้วก็เจตนาคนที่จะปรุงเนี่ยนะมันก็มีกิเลสเป็นตัวหลักก็เลยเหาะคนไห้ชอบเค็มก็ใส่เค็มเยอะคนไห้ชอบเผ็ดใส่เผ็ดเยอะคนไห้ชอบหวานใส่หวานเยอะ มันก็เลยเป็นอย่งงางนันของไข่ของมันปอ น, นอยู่งั้นอ่ะไอป้ปนปนี่รวมกันทั้งหมดเลยทนะ่านเรียกว่ากายชุมเงินทั้งหมดเรียกว่ากายเน้นก็บปหาจิตท่านก็เรียกว่าไอ้ น, นี่จิตเป็นสังขารจิตสังขารกายแยกและเน้นมาทางทั้งหมดซึ่งทั้งหมดนี่มันก็จะมีความหยาบ เป็นหลักข้างนอกเป็นหลักเพราะมันมากมันหยาบข้างในก็เป็นรองข้างในมันก็เป็นยิ่งจิตอ่อนแอเป็นกิเลสมันยิ่งเป็นรองใหญ่เลยมันก็จะถูกกิเลสข้างนอกดิโกโหครอบงาอย่างหนักเลยเพราะาถ้าเรารู้จากกิเลสตั้งแต่ข้างนอกไปมันก็จะเป็นชิ้นเป็นอันมันก็จะรู้ชัดเจนทีนี้ว่า จีสังขารนนะ่ะมันเป็นตัวที่ยากที่จะรู้อาตมาไม่ใช่โมจะคุยแล้วถ้าอาตมาไม่ออกมาพูดนี่ไม่เอามาพูดเลยนะี่นะว่าจีสังขารเนี่ยคนจะไม่รู้เลยตลอดกาลนานมันหายไปแล้วความรู้นี่มันหายไปแล้วยังดีที่มันมีอยู่ที่สังกปะเจ็ดที่เป็นตัวล็อกเรืองชี้บ่งว่า อันนี้แหละคือวัจจสังขารอันนี้คือว um. ัจจสังขารเกิดได้อย่างไรถ้าไม่รู้มันแล้วมันไปอยู่ที่เจ็ดตัวเนี่ยแล้วมันเกิดเป็นวัจจสังขารมันเกิดได้อย่างไรถ้าไม่รู้นะไม่มีทางคิดออกหรอกว่ามันจะเป็นเออแล้วมันเป็นวัจจสังขารมันโรล่อยู่นันน่นยังไงซึ่งอัตมาก้าพูดได้ว่าคาว่าวจีสังขารเนี่ย ทุกคนเลยที่จะเรียนรู้เป็นผู้รู้ขนาดไหนก็ตามเขาจะเข้าใจว่าเป็นวจีกรรมวจีสังขารนี่เขาจะหมายเอาวจีกรรมเลยเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าวจีสังขารมันคือสิ่งที่ยังไม่ได้ออกมาวจีกรรมยังเป็นการปรุงแต่งอยู่ในจิตวจีสังขารคือจิตคือจิตสังขาร เป็นส่วนของกระบวนการจิตสังขารเป็นส่วนหนึ่งของจิตสังขารวัจีิกรรมเป็นส่วนหนึ่งของจิตสังขารจิตสังขารเป็นองค์รวมใหญ่ในนามถ้ากายก็ออกมาร่วมข้างนอกท้านในก็เป็นจิตสังขารวัจีสังขารเขาเป็นเล็กนิดเดียววัจจสังขารนี่เล็กนิดเดียวมังครรู้จักวัจจิสังขารได้และสามารถทาให้วัจีสังขารดับ และสามารถให้ทําให้วัจจิสก า, ารเกิดผู้นั้นคืออุตระผู้นั้นคือผู้มีโลกุตรจิตอัตมาเคยอธิบายฟังแล้วธรรมทินนาภิกษุท่านตอบวิสาขาอุบาสกว่าเมื่อเกิดนิโรธไม่จะเข้าเรียกว่าเกิดเราเรียกว่าเข้าเมื่อเข้านิโรธแล้วอะไรดับก่อน เมื่อเข้านิโรธแล้วอะไรดับก่อนนี่เใช้ภาษาแบบนิโรธดุสีท่านธรรมธินาก็บอกว่าวาจีสังขารดับก่อนแล้วค่อยกายสังขารแล้วก็จิตสังขารเสร็จแล้วเมื่อออกจากนิโรธตนนี้ถามเมื่อเข้านิโรธ ทีนี้เมื่อออกจากกาใช้ศัาเมื่อออกจากนิโรธเอาใช้ศัพทางด้าน เ, าเทวนิยมเข้าไปก่อนเมื่อออกจากนิโรธอะไรเกิดก่อ น, นเมื่อออกก็ต้องเกิดเมื่อเข้าเป็นนิโรธก็ต้องไปดับนะออกจากนิโรธเขาก็บอกว่าจิตจิตเกิดก่อนแล้วกายสังขารแล้วก็วัจจิสังขารเป็นตามลำดับ เพราะตัวที่ดับตัวที่เกิดนั้นจริงจนี่คือตัววัตถีต <half. S 1> ัวที่เกิดจริงๆดับดับก่อนเมื่อมาดับก็ดับก่อนเขาเมื่อเกิดก็เกิดก่อนเขาแต่ไม่ใช่เอาถูกแล้วเออเมื่ เกิดเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อจะเกิดเกิดทีหลังเขาไม่ใช่เกิดจุดก่อนจิตเกิดก่อนอแล้วกายสังขารเกิดแล้วค่อยๆบัจจีสังขารเกิดทีหลังพอเวลาดับดับก่อนเขาพอเวลาเกิดเกิดทีหลังเขาบัจจีเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเป็นแบบพุทธ มันไม่ได้เข้าได้ออกอะไรหรอกมันทำให้กิเลสดับถึงนิโรธก็คือทำให้กิเลสดับได้ก็เกิดดับที่วัจีนี่ก่อนไม่รู้กระบวนการเจ็ดของสังกัปปะก็ไม่รู้ว่ามันดับอะไรอะไรดับดับยังไงแล้วยังไงถึงเรียกว่าดับวัจีสังขารดับยิ่งวัจีสังขารดับยังไงดับเออ พจีสังขารดับก็อธิบายซ้ำซากมาหลายทีหลายครั้งแล้วว่าก่อนที่มันจะออกมาเป็นสังขารที่ปรุงกันเป็นเป็นตัวที่บวกรบคุณหาออกมาถ้าเผื่อว่าตั ก, กะวิตกกะสังกะปะดำริขึ้นมามีกามมันก็บวกรบคุณหารปรุงแต่งมาปัาบ๊บผ่านอัปนาพยาบนาส่งอีก เพราะไอ้เสือนี่หนุนแรงมันไม่รู้หรอกอะไรเป็นตอนที่เป็นไม่ชาทิฏฐิมันก็ไม่รู้อะไรแล้วมันส่งเลยแรงก็ไปปรุงร่วมเสริมให้ก็ไปอยู่ที่วัจีสังขารปรุงแต่งวจีสังขารเป็นจิตที่ปรุงแต่งบวกลบคูณหารชองอยู่ในครัวนี่กําลังทํากับข้าวชองอยู่ในครัวเสร็จปับ๊บใส่ขึ้นสําหรับไว้เส็เป็นวัจีสังขารใส่สำหรับเสร็จ ก็แสดงว่าว่าจีตั้งสําหรับแล้วเสร็จนี่คือดับมันดับแต่ทีนี้ไอ้ทีเผยว่าไอ้ทั้งหลายทั้งหลายอาวิชชาเ่ยมันไม่ไปได้ดับมันปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมามันยิ่งปรุงมันยิ่งเกิดมันยิ่งเป็นรถโลกีมันยิ่งเป็นสํำรับโลกีเลยสําหรับกับข้าวของโลกีเลยใช่ไหม พรมันไม่รู้จักการมาตัญหาหรือว่าการมีตกกลางสักกะป่อะไรหรือพยาบาทสักกะป่มันไม่จกักไม่เคยทําอันนี้ทางด้านฤาษีเขาว่าดับธรรมธินาทเขาบอกว่าอันนี้เข้านโรุอะไราดับก่อนวจีสังขารดับก่อนเขาก็ เข้าใจว่าเป็นว จ, จีกรรมก็แน่นอนว จ, จีกรรมมันดับก่อนแน่นอนตั้งแต่นั่งหุบปากแล้วดับแล้วว จ, จีกรรมยิ่งดับนิโรธก็เลยยิ่งแน่นอนมันไม่พูดไปช้าแน่นอนยิ่งดับจิตเลยนี่มันว จ, จีดับก่อนนะั้นแน่นอนชัดเจนเขาก็หมายเอาอย่างงั้นอ่าเอาทีนี้ทางโรกุตระดับก็คือเมื่อตกะวิตกะสังกปะ สมมติว่าดับก็คือสมมุติเลยนะว่าอธิบายเลยว่าดับกิเลสการมมรรคตกรรมสังกปะได้ดับได้ได้เลยกำจัดได้ผ่านอ ป, ปนาพยาพก็ส่งนี่เหมือนกันเป็นแรงส่งหนุนเพราะว่าแม่อั ป, ปนาพยปนาก็มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาปัญญาตามที่มีเดิมก็ส่งหนุนไปผ่านไปเป็นวจีสังขารพอผ่านไปเป็นวจีสังขารก็ไปเป็นสําหรับกับจากครัวเหมือนกัน เป็นสํำรับนีเ้เสร็จก็คือเป็นสํำรับที่ปรุงแต่งสะอาดได้สหรับเรียบร้อยเลยโหใส่ถ้วยใส่ชามใส่อะไรฝาปิดเรียบร้อยเลยก็คือตกแต่งวัจีสังขารแล้วดับนี่มันตั้งแต่ดับตะ ก, กะมิตะ ก, กะมาก่อนเลยดับมาก่อนเลยดับเหตุปัจจัยมาพอมาถึงวัจีสังขารที่จะปรุง มันก็เป็นตัวที่ถูกดับนั่นมาเรื่อยมาถึงวจีสังขารเนี่ยมันก็เป็นสํำรับกับข้าวที่ตักออกจากหม้อใส่ตักออกจากกระทใะใส่ใส่ชามใส่ชามเป็นสําหรับกับแก้มกับข้าววจีสังขารมันก็ดับเรียบร้อยก่อนเพื่อนนะดับตัวกิเลสแล้วก็มาเสร็จเป็นสํำรับก็ดับกิเลสเรียบร้อยนะ แล้วเมื่อสำรับเมื่อวจจีสังขารดับแล้วกายก็ดับต่อมากายสังขารดับต่อมาแล้วจิตสังขารถึงดับที่หลังเพื่อนก็พูดแล้วเมื่อกี้นี้ว่าจิตกับวจจีที่จริงมันจิตกายก็คือมันก็เกิดพออันนี้เสร็จเรียบร้อยมันก็เปิดฉากอา้าวทุกคนมาเสร็จแล้วรวมตัวก็กายปรุงพร้อมพร้อมที่จะเปิดออกไปสู่ข้างนอก เราไปสู่ต า, ตาหูจมูกลิ้นกายจะไปเป็นวจีกรรมจะเป็นกรรมมันตะจะเป็นอาชีวะมันก็รวมกายทั้งหมดที่จะออกไปจากกายแล้วค่อยรวมจิตทั้งหมดเลยยกสําหรับกับข้าออกไปไปเป็นวจีกรรมกรรมมันตะอาชีวะพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อจะออกจากนิโรธ หรือว่าเมื่อนิโรธเสร็จแล้วเรียบร้อยอะไรเกิดก่อนก็คือการจะยกสำรับกลับออกนี่ละมาจะออกมาให้สู่ข้างนอกเข า, น, ขานี่แหละมา อ, อ่กวัจีอัมมันตะอาชีวะก็รวมแรงของจิตทั้งหมดเป็นมโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศทษามโนมยาตอนนี้มโนเศทษาแล้วสำเร็จด้วยจิตแล้วจิตสำเร็จดับกิเลสสำเร็จ ป, ปรุงเป็นวัจีสังขารไว้รอแล้วปสรับแล้ว ยกออกมาก็เจ้าจิตนั่นแหละเป็นตัวบงการทํามโนปุพังจิตเป็นเหตุวจีจึงเกิดจิตเป็นเหตุกรรมันตะจึงเกิดจิตเป็นเหตุอาชีวะจึงเกิดก็จิตก็เกิดก่อนเมื่อล่วงพนิโรธจิตก็เป็นตัวบงการทุกอย่างออกมาจาก ยกสํำรับกลับออกมาให้ข้างนอกเขาเลยเป็นวัจีเป็นกรรมันต์เป็นอาชีวะไอ้ธรรมาอธิบายเก่งจังเลยวันนี้ทําไมนึกออกมารู้นะไม่ได้เตรียมมานะมาพูดถึงสํำรับกับข้าวอะไรก็มาคิดตอนนี้เดียเ๋ยวนี้ทันด่วนเดี๋ยวนี้เลยออกมาได้เป็นตัวอย่างสงสัยกอดควบคุมการพูดอยู่นะเนี่ย <laughs> เหมือนพระอาลาเนอะเหมือนพระวร ม, มัต รอเป็นผู้บรรดาในพูดแต่ของเขาจะเป็นแบบริงลมอมก็พองแต่ของเรามันเป็นปฏิพานปัญญาเอาสภาวะเข้ามาไล่เลียงแล้วมันก็ออกมาเป็นภาษาเมื่อจิตเกิดก่อนและกายเกิดตามก็ลมรวมไปเลยเป็นวจีก็เป็นกายละเป็นกรรมมันต่างก็เป็นกายละสุดท้ายจึงเป็นวจีสังขารเกิดขึ้นตามหลังไอ้วจีสังขารนั่ก็เป็นตัวตรองสุดท้ายไง บางทีเราว่าเราจะพูดอย่างเงี้ยพอสุดท้ายเฮ้ยอย่าพูดเลยวะเอาแค่นี้อะไรงียเป็นต้นใช่ไหเอาแค่เนี้ดักอีกทีหนึ่งสุดท้ายเป็นตัวทุกอย่างพร้อมแล้วสําหรับกลับคาบพอไปยกเข้าไปจริงเฮ้ยเอาอันนี้ไปก่อนอันนี้จะเพิ่งเอาไปเงิบไปถ้วยหนึ่งเงียบไปชามหนึ่งอะไรก็ได้อันนี้เป็นต้นคือประจิงฉาญตัวปลายที่จะออกไปทํางานเต็มที่เหตุปัจจัยข้างนอก มันจะเป็นตัวกําหนดให้เราประมาณว่าอย่าเพิ่งเอาออกไปทั้งหมดเลยเอาไปแค่นี้ในปัจจัยปัจจุบันทุกปัจจุบันวัตถีจจสังขารจึงเป็นตัวทำสุดท้ายเมื่อเวลาออกแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นนิโรธเสร็จแล้วจะออกมาสู่ข้างนอกเป็นงานข้างนอกละใครฟังไม่รู้เรื่อง โอ้โหแสดงว่าอธิบายเก่งเอาละก็มาเป็นลายภาษารีบุตรเก่งก็เก่งไปนะนี่เราตอนนี้ภาษาดีบุตร ก็ไม่ได้มีแล้วมีแต่โพธิรักษก็โพธิลักษ์ทำกันแล้วกันนะฟังดีๆแล้วจะเห็นชัดเจนเลยว่าสังขารสามสังขารนี่แหละทีนี้อัตมาจะเจาะลงไปให้ฟังว่าสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนาดับผัสสะดับเวทนาดับตนาดับดับดับเพราะสังขารดับ เพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับทีนี้คนพาซื่อก็บอกว่าเมื่ อ, อวิอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับนี่จริงๆนี่มันตายนะตายทั้งร่างกายเนะเพราะว่าสังขารกายสังขารจิตมันก็สังขารทั้งนั้นอนะถ้าบอกว่าสังขารดับหมดอวิชชาดับสังขารดับ ถ้าพาซื้อก็ตายใช่ไหมตายกายสังขารก็ต้องดับว่าจิตสังขารก็ต้องดับตายเพราะว่าอวิชชาดับนีเราไม่พูดถึงแบบฤๅษีนะฤๅษีเขาไม่ได้ดับอะไรเขาไปพูดไม่รู้เรื่องหรอกจบฤๅษีเ็าผ่านไปแต่ทีนี้มาวิเคราะห์ว่าคนเล่นต ก, กะเนี่ย เขาคนเล่นตะกะเราบอกอวิชชาดับสังขารดับเพราะนั้นเปตะบิดอกด้วยในคําตัดไหว้นั้นเน่ยเพราะสังขารเพราะอวิชชาดับสังขารดับเพราะสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับเป็นนามรูปดับอะไรดับหมดทั้งพวงเลยดับหมดทั้งแถวเลยถ้าไปพาซื้อกระมัดเขาบว่าหมดยวงเลยดับนี่คือตายเกลี้ยงเลยอะไรก็ตายหมดไม่รู้ทุกอย่างวิญญาณก็ดับเลยวิญญาณก็ตายดับก็คือตาย ตายนี่ไม่ใช่ไปดับนี่ร้ดับหลับตาดับสะกดไว้นะตายอันนี้ตายสนิทนะตายของพุทธเนี่ยตายของพุทธนี่คืออวิชชาดับอวิชชาหมดเลยนะหายไปเลยนะอวิชชาไม่มีแล้วนะอวิชชามันตายไปหมดเนียแล้วหมดแล้วนะถ้าพูดกับซื่อเลยพยัญชนะตอนนี้อวิชชามันก็ดับไปหมดทุกพวงวิญญาณมันก็ดับเมื่อวิญญาณดับมันก็คนตายแล้วแล้วตายหมด มันไม่ใช่อวิชาดับน่ที่จริงพออวิชามันดับเนี่ยมันวิชามันเกิดตั้งหากเราเออเพราะฉะนั้นสังขารสะอาดี่เกิดสังขารที่ดับนั่นคือสังขารส่วนที่เป็นกิเลสมันไปผสมอยู่ในส่วนเพราะในองค์ประกอบที่เป็นส่วนสังขารปรุงแต่งกันหมดเนี่ยมันมีทั้งผีทั้งเทวดามีทั้งพิธีผีทั้งมนุษย์ ก็ดับแต่ผีออกไปเท่านั้นเองก็เลยเหลือแต่วิชาเหลือแต่สังขารสะอาดเหลือแต่วิญญาณสะอาดนามรูปสะอาดาาอายตนะสะอาดผัสสะสอาดเวทนาเป็นสุขสงบจากกิเลสเพราะผีตายตัณหาตายถ้าสมมติลดกา ม, มาตัณหาตัวแรกก็ตามอบายสัตว์อบา ย, ส, บายสังขารก็ตายสังขารก็ดับ คือส่วนหนึ่งในการปรุงแต่งในสังขารมันดับพระนิยอร์เชได้ว่ากายดับก็ได้พระองค์ประชุมในส่วนองค์ประชุมดับจะเรียกว่าจิตดับก็ได้วจีดับก็ได้ดับส่วนที่มันมาปรุงเป็นกายว่าเป็นกายวาจีจิตเป็นกายเป็นกายเป็นจิตเป็น ว, วจี ่ันส่วนที่เปปรุงนี่คือส่วนผีที่พร่วมปรุงซ่ร่วมเป็นผีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแต่เผื่อว่าไม่มีสภาวะแล้วเป็นภาษาพาซื้อมีแต่ภาษาดับตายหมดเลยยิ่งกว่าฤาษีเพราะฤาษีเขาดับนี่ดับไปชั่วที่เขานิโรธอยู่ในผวังออกมาเขาก็เป็นคนยังเก่า แต่อีมันดับลืมตามก็ดับวิญญาณตายลืมตามันมีอะไรอะ่ะตายลืมตามันก็คือหามใส่ลงแล้วก็ค่อยปิดเปลือกตาให้เข้าหน่อยนะตายลืมตาใช่ไหมอาตายลืมตาเพราะฉะนั้นในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอาวิชชาดับมันคือความรู้มันคือวิชา พราะเมื่อบอกว่าอาวิชชาดับก็คือส่วนที่เป็นอวิชชาดับวิชาเกิดสังขารก็เลยส่วนดับดับไปด้วยด้วยความที่เป็นไปพร้อมกับอวิชชานั่นแหละนะมันเกิดวิชามันเกิดความรู้แจ้งมาแล้ววิญญาณก็ใสสะอาดขึ้นมาเลยนามรูปก็เลยเป็นนามรูปที่เรารู้นามรูปจริงของเราโอ้เป็นนามรูปที่สะอาด เมื่อทำงานก็นไปมีอายตนามีผัจจะมีเวทนามีตัณหาก็เป็นวิภาวะตัณหาหมดไปแล้วพบที่ดับไม่มีพบวิภาวะไม่มีพบที่ดับไปแล้วเมื่อไม่มีพบก็อุปทานมันก็หายไปด้วยเพราะตัณหามันหายนตัณห า, หามันดับอุปทานมันก็ดับไปส่วนนั้นพบก็ดับไปด้วยชาติก็ไม่เกิดไม่มีชาติเกิด โศกกาปริเทวาทุกขโทมนัตอะไรมาเก็ไม่เกิดเพราะเหตุตัวนี้แล้วนี่คือนัยะละเอียดของคำว่าอวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับทุกอย่างก็ดับหมดจริงแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีนัยที่สำคัญที่ละเอียดลึกซึ้งดับพาซืช ก็จบเกมเพราะฉะนั้นจึงที่เขาไม่เข้าใจรายละเอียดพวกนี้เขาจึงบอกว่าไปนิพพานต้องไม่มีตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาสามวิภาวะตัณหาของเขาก็เป็นตัณหามีไม่ได้มีวิภาวะไม่ได้ตัณหาอะไรก็มีไม่ได้เห็นไหมเพราะสังขารอะไรก็มีไม่ได้ วิญญาณอะไรก็มีไม่ได้เวทนาก็มีไม่ได้ถึงดับสัญญาดับเวท น, า ด, ดนาดับหมดนิโรธก็ดับหมดนี่คือความไม่สมบูรณ์ในรู้จากองค์ประชุมว่าไม่หน่วยขององค์ประชุมมีกี่หน่วยกี่หน่วยกี่หน่วยมีร้อยหน่วยตอนนี้เราล้างไปหนึ่งหน่วยล้างไปสองหน่วยล้างไปสิบหน่วยมันก็ดับไปเรื่อยๆ เ, เ, เป็นหน่วย ๆ, ๆ, ๆ, ๆไปเรื่อย เขาไม่มีเบื้องต้นทำกลางมั่นปลายเขาไม่รู้จักกายที่เป็นองค์ประชุมของผีทั้งหลายแล้วเขาก็ไม่กำหนดผีที่เขาจะฆ่าเพราะงั้นฆ่าสเปสสปาฆ่าไม่มีตัวไม่มีไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไหเป็นตัวไหนไม่แมนไม่อะไรเลิศเทอเลยแล้วมันจะตายสักตัวไหมนะไม่ตายสักตัวหรอกมีแต่ไปตีงูให้หลังหักตีกิเลสตัวนี้กิเลสตัวนี้ก็ ทีหลังก็ไม่ได้ตีมันเพราะไม่จับมันไม่แม่นมันไปตีตัวอื่นใหม่ตีไปไอตัวนี้หลังหักมันกลับมงแวงที่หลังไอตัวนั้นตีอีกหลังหักตีเลอะไปหมดไม่รู้กี่ตัวสเปซสะปาไปหมดเลยเจอศัตรูที่เป็นงูหลังหักไม่รู้กี่ตัวทีนี้เราจะเอ้ย <c oughs> อสมบูรณ์แบบหรอกสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเธอ จะนึกถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เออเป็นนักเพลงก็ดีเหมือนกันเนาะมันก็เอาเพลงมาใช้ประกอบการบรรยายได้เหมือนกันพอสุนทรีบ้างน นี่ก็อธิบายไปแลรายละเอียดย่อยๆไปเราจะเข้าใจเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมันเหมือนไม่มีอะไรมากมันเหมือนพูดเล่นๆแต่ที่จริงนี่เป็นรายละเอียดสำคัญที่ละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆจะเห็นได้อย่างนั้นนะสรุปการรู้จักสังขารก็คือการรู้จักสังขารสามเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วถูกตัวมันด้วยลดสังขารลดสังขารลดสังขารลงไปได้จริงๆด้วย รถมันปรุงแต่งตัวที่มันเป็นอกุศลมาปรุงแต่งเป็นตัวสังขาริกังเป็นตัวเข้ามาร่วมนําปรุงแต่งในตัวการในว่าสังขาริกังก็เป็นอะสังขาริกังไปเรื่อยไปเรื่อยเรืตามจริงาตามจริงสัมมาทิฏฐิจึงสําคัญมาก ที่จะค่อยๆมีตัวจริงของสมาธิิเป็นขั้นๆเช่นในปัญญาหกปัญญาปัญญินรีปัญญาพระธรรมวิจัยสพจงสมาธิิมังคังคะสมาธิตัวที่อยู่ในองค์หนี่มันเป็นตัวที่เกิดผลตามมามันเจริญขึ้นมาเรื่อยเหมือนกับเรารู้ว่าการเจริญของอนิสงส์ในการฟังทรหมาประการนะ พระโพธิสว่าฟังทำแล้วเกิดผลเกิดอา น, นิสงส์มันก็จะเกิดโอ้โห و, สิ่งที่มันฟังแล้วมันเพิ่มความเข้าใจความรู้ใหม่สิ่งที่มันแง่ใหม่เชื่อว่าโอ้โ ห, โโหเข้าใจลึกฟังในสิ่งฟังใหม่อันนี้ใหม่มันวาบเลยันใหม่และมันมีผลด้วยทําให้เราโอ้โหพอไอ้ตัวนี้เข้ามารู้ทําให้เกิดอา น, นิสงส์ตัวนี้แล้วในะตัวที่ได้ฟังใหม่ๆได้เห็นสิ่งใหม่ได้รู้สิ่งใหม่ มันทำให้เข้าใจลึกขึ้นเข้าใจลึกขึ้นสูงขึ้นก็คือปัญญามันเจริญกระพรุบเลยเสร็จแล้วความกังขาสงสัยลดลงทิศ ท, ที่ไม่ตรงตรงขึ้นเห็นไหมขอที่สจำได้ไหมเนี่ยความอนิสง์ในการฟังธรรมประการเนี่ย นะการเจริญหาประการเนี่ยหนึ่งได้ฟังสียงที่ไม่ได้ฟังได้ฟังสี่งใหม่ๆสองโอ้โหเข้าใจขึ้นเข้าใจลึกขึ้นนะสามความสงสัยลังเลหายไปความสงสัยกังขาขัดข้องมันเท่าไปหายไปทิฏฐิทิฏฐิอุดชุงกโรติสมาทิทิฏฐิก็ตรงขึ้นเพราะเกิดรู้เกิดผลเกิดปัญญาทิฏฐินี้ก็เพิ่มขึ้นจาก เดิมเรามีสมาธิทิฏเป็นประธานทิฏฐินี้เกิดจากการปฏิบัติมรรคองแปดแล้วทิฏฐิมันก็ ไ, ได้รับผลได้เจริญขึ้นจเจริญขึ้นเพราะมันมีธรรมวิจัยช่วยตลอดเวลาเลยมีวิตกวิจารณวิจัยเนี่ยช่วยการปฏิบัติมรรคมรรคองแปดมรรคเจ็องค์ที่ปฏิบัติเนี่ยมรรคขังคะเนี่ยธรรมวิจัยธรรมริทิมรรคังคะเจริญขึ้นเรื่อยๆพอจเจริญขึ้นสมาธิทิฐิก็เลื่อนฐานะไป เป็นปัญญินรียไปเติมปัญญาให้เกิดมีกําลังขึ้นมาปัญญากับปัญเป็นปัญญินทรียเติมปัญญาขึ้นมาเป็นกําลังเป็นกำลังปัญญินรีปัญญีนีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆรๆก็คือการเจริญของสมาธิติิตลอดเวลาการพัฒนาสมาธิติได้เกิดสมาธิติเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเมื่อสมาธิติเลื่อนไปเป็นประธานอีกทีนึงจากที่มันได้เดิมพอมันได้อีกมันก็ไปเสริมให้ สมาธิสูงขึ้นอีกสมาธิที่เป็นประธานสูงขึ้นอีกก็มาเกิดควบแน่นทําให้การปฏิกิริยากระบวนการการปฏิบัติมั่คังคะก็เจริญขึ้นอีกทำมวิจยัยกระเช้าขึ้นอีกปัญญาความวิจยัยวิจารณช่วยเชี่ยวขึ้นอีกคมแม่นสูงขึ้นอีกเรื่อย ๆ, ๆมันเป็นปฏิสัมพัทธ์มันเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปอีกไม่รู้กี่ชัน้นตกี่ชั้นเนี่ยมา เพราะฉะนั้นในวติกะวิติกะสังกัปปะเนี่เป็นหน่วยปัญญาขององค์สังกัปปะเจซึ่งเป็นกองกระบวนการของมณสิการกระบวนการของการปฏิบัติธรรมใจในใจสังกัปปะเจเนี่ยหรือเรียกตามสับสํานวนของทางลุสีครับก็คือการทําสมาธิหรือการทําฌาน นี่แหละการทำสมาธิหรือการทำฌานมันจะมีทั้งปัญญาและเจโตปัญวตากาวิตตกาสังกปะคือปัญญาอปนาพยาปนาเจโตเ ป, ป็นรูปนาคือเจโตมันก็จะเกิดซ้อนเกิดท้ายปัญญาก็จะเกิดปัญญาของนี้เติมขึ้นมาเรื่อยๆหกนั่นคือปัญญานอะองหกนั่นคือปัญญาแล้วเกิดจากการปฏิบัติ ภาคปฏิบัติจริงๆก็คือทรมวิจัยสมโพธิชงสมาธิถิและมักคังคะนั่นแหละภาคปฏิบัติแล้วมันก็เกิดไปได้ผลเป็นปัญญาแล้วก็เป็นปัญญีสรปัญญีสีปัญญีปัญญาพราก็คือผลผลสุดผลสุดผลจบมันก็เสริมมันก็เจริญกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาคปัญญาก็เกิดจากการปฏิบัติตะกะวิตตกะสังกปะเนี่ย ได้ดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นยกขบวนการมาทั้งหมดก็คือเอารทำวิจัยสัมโพธชงสัมมาทิฏฐิและมรรคกังคะมาปฏิบัติเพราะในขณะปฏิบัติเราก็ยังมีมรรคเราก็ยังมีสังกปะวารจากรรมมันตาอาชีวะที่เป็นตัวเกี่ยวข้องอยู่ข้างนอกปฏิบัติธรรมมีสัมมาวายามาสมาสติห้อมลอ้อมสมาธิฏฐิก็ปฏิบัติมรรคเจองค์อยู่นั่นแหละ ตะกาก็คือมันเกิดเริ่มดำริจิตเริ่มดำเลิกดำริอยู่ในจิตเรื่อยแล้วก็อ่านเรื่อยๆตามมหาวิจัยมันอยู่เรื่อยๆจับตัวกิเลสให้ได้เรื่อยเมื่อได้แล้วก็กำจัดไปๆตามลําดับตามลําดับไปเรื่อยพอมันลดได้กิเลสได้ปัญญามันก็เกิดปัญญาไปเติมให้เป็นปัญญีสีอย่างที่อ่านที่อธิบายผมก็เติมเป็นปัญญีสีปัญญีสีปัญญีสีขึ้นไปจะไปเป็นปัญญาพละทุกทีมันก็ต่อเนื่องกันระหว่างสังกัปปะเจ็ด ขึ้นไปสร้างปัญญาหขึ้นไปสร้างน่แหละองค์งธรรมอีกหกองธรรมแห่งปัญญาพระาคทธรรมวิจัยสัมโพธชงกทิติสมาทิติกับมรรคังคะคือหน่วยหน่วยเต็มของตัวสังกัปิะเจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสังกัปิะจไม่มีปัญญา ตา ก, กาวิต ก, กาสงกปะ ก, ก็คือปัญญาทาั้งนั้นทำมาวิจัยสัมผัสชงก็อยู่ในนั้นกระบวนการเวลาปฏิบัติมัก ข, ขังฆะมันก็เกิดการสังเคราะห์ออ ก, กันไปสังเคราะห์ออ ก, กันไปน่ะทำวิจัยสัมผัสชงก็ทําให้เกิดความรู้เป็นสมาธิทิสมาธิทีก็ตัวเชื่อของปัญญานั่นแหละเป็นความเห็นความรู้นั่นแหละแต่เป็นความเห็นความรู้ที่ในภาคปฏิบัติพอมาปฏิบัติเข้ามันก็ยิ่งเกิดความ เป็นผลของปัญญาอธิปัญญาศิกขาก็ขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นก็ไปเติมเติมติมเติมเติ ม, ตมในวันนี้ห0 0พันเฟรมนะเนี่ยห0 0พันเฟรมต่อวินาทีนะวันนี้อธิบายนี่แจกไปห0 0พเฟรมเมาหรือว่ารู้เรื่องฮะโอ้โหยิ่งฉายชาย้ายิ่งเมานี่มันก็แสดงว่ายิ่ง ยิ่งตกกระป๋องเนาะยิ่งฉายชายมันก็ยิ่งต้องรู้เรื่องได้ดีขึ้นจนเนาะ่มันก็ยิ่งเข้าท่ายิ่งเข้าใจขึ้นนะนี่คือปฏิสัมพัสธ์ของตัวธรรมะหรือว่าจะเป็นบัญญัติมันเป็นตัวชื่อเรียกเรียกสภาวธรรมนั้นนี้ต่างๆก็ตามมันก็จะเกิดการทำงานอย่างนี้นะไปตลอดเวลา เพราะงั้นในตัวสั ง, สงขารสที่อาตมาเริ่มต้นแล้วก็วิญญาณมันเกิดไปเรื่อยๆเนี่ยนามรูปมาทวนอีกทีหนึ่งเวทนาสัญญามันก็เป็นธรรมดาของเจตสิกเจตสิกสเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกสเนี่ยมันก็จะเกิดการเจริญ ที่การเจริญองค์งงประกอบของการเจริญของเจตสิกสามที่ชัดๆก็เช่นกายกรรมมัญจาความคล่องแคล่วแห่งกายหรือความเป็นคู่ของควรแก่การงานแห่ง ก, กองเวทนาสัญญาสังขาร น, นะเพราะนนั้กายคือองค์ประชุมของกองเนี่ยแหละ องประชุมก็คือกองเนี่ยหมู่หรือกองหรือองประชุมอันเดียวกันน่กระกายกรรมมั ญ, ญาตาก็คือการกระทบทบาทการงานลีลาของการงานเมื่อมันมีผลดีขององค์ประชุมที่รวมแล้วสังกั์สัง ข, งขารกันเสร็จแล้วองค์ประชุมที่เกิดเจริญมันก็จะไปควบคุมให้เกิดการทางานการทำงานก็คือเวทนาสัญญาสังขาร เวทนาสัญญาสังขารสัญญาเป็นตัวกําหนดกําหนดหมายจะให้เกิดจะให้ตายอะไรก็ตามใจนะเป็นตัวสัญญาก็คือจริงๆก็คือตัวเจตนาสัญญากับเจตนาเนี่ยกำหนดหมายหมายรู้ก็หมายให้เป็นหมายให้เกิดเพราะจริงๆแล้วมันไปเป็นตัวเจตนาเป็นตัวมุ่งหมายเพราะงั้นถ้าบอกว่าสัญญานี้มันสะอาดสะอาดขึ้นสะอาดขึ้น มันก็ทํางานขึ้นตัวมันเองนะตัวสัญญามันเองมันทํางานด้วยแล้วมันสะอาดด้วยเดี๋ยลางสัญญาสัญญาสัญญาสัญญานูปักขันทาใช่ไหมสัญญาสัญญาไม่ใช่สัญญาสัญญูปักขันทาสัญญูปักขันทาคือสัญญา อ, อ, อุปกาอุปกรเนี่ยอุปทานเนี่ยสัญญุปักนันีามันก็ล้างอุปทานในสัญญาเมื่อล้างออกไปสัญญาสะอาดขึ้นสัญญาก็ออกมาทำงานงมุ่งหมายกาหนดมันก็เป็นตัวของเจตนาเเวทนาสัญญาในนามาทำเวทนา ส, สัญญาเจตนาออกมาเจตนาแล้วผัดสะเป็นตัวเหตุปัจจัยอยู่มณสิการ ก็ปรุงแต่งจิตมนุิการคือทําจิตเพราะการทําจิตทำมาเรื่อยจกนกระั่งสุดท้ายที่อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้เป็นวจีสังขารเสร็จแล้วแม้จะออกไปเป็นกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกรรมมันตัดเป็นอาชีวะก็ตามมันก็ยังต้องควบคุมเป็นวจีสังขารตัวสุดท้ายที่จะออกไปอาตมาว่าทุกคนน่าจะรเลึกได้ว่ามีมการนเราว่าจะพูดอย่างนี้เมื่เสร็จแล้วอัานไว้ไม่พูดดีก่ก็เปลี่ยนพูดไป ใช่ไหมหรือทำก็ตามว่าจะท ำ, ท, ำทำอย่างนี้มันไม่ทํามันยังแต่ทําอย่างงี้ซะนั่นแหละมันเป็นตัวสุดท้ายปลายตัวสุดท้ายมันจะต้องออกมาทํางานวรจีสังขารยังเป็นตัวท้ายเมื่อผ่านสุดท้ายแล้วน่ะเป็นนิโรธก็ตามปรุงไปด้วยกิเลสก็ตามผ่านนิโรธผ่านกิเลสมันก็จะออกมาสุดท้ายอย่างนี้เหมือนกันทั้งนั้นนะ เมื่อองค์ประชมุมของอย่างกายกรรมมัญตาเนี่ยคำว่ากายนี่ยเขาจะถ้าเพื่นไม่รู้วิชาทีๆก็จะว่าเป็นร่างกายการทํางานเหมาะควรก็คือกายกรรมทั้งหมดเลยนะการทํางานเหมาะควรก็หมายความว่าคุณทําเรื่องข้างนอกเนี่ยทั้งนั้นเลยก็จะไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วกายกรร ม, มัญตาน่ยมันเป็นเรื่องของเจตที่มันควบคุมการทํางานอันเหมาะควรควบคุมตัวไหน ควบคุมเวทนาสัญญาสังขารไงสัญญามันสะอาดก็มาควบคุมเวทนาควบคุมสังขารสัญญาเนี่ยมันมีเจตนาแล้วมันก็ผัสสะเอาอธิบายละเอียดเข้าไปอีกขณะนี้คุณกำลังคิดมาจะคิดคุณปรุงแต่งเสร็จแล้วว่ายไอ้ไนี่เจอนี่มันจะด่ามันจะให้ขนาดนี้เลยเนะเสร็จแล้วมาเจอตัวจริงเข้าเหตุปัจจัยองค์ประกอบปั๊บ คุณก็ยับยังไม่ด่าไปตามที่เตรียมไว้เตรียมไว้จิตสังขารไว้แล้วนะเสร็จแล้วมาเกิดผัสสะองประกอบข้างนอกตัวเหตุปัจจัยไม่หรือตั้งใจว่าจะไม่ด่าเขาจะไม่ด่าเขาหรอกอเตรียมไว้เชียวพอมาสัมผัสเข้าจิกด่าหนักกว่าไอ้ที่เตรียมไว้เคยไหมล่ะ นาดานาก็ได้เตรียมไว้ซะอีกเพราะผัดสะเหตุก็เพราะว่าคุณผัดสะแล้วคุณก็ไปถึงมณสิการคุณทําใจในใจถ้าคนทําไม่เป็นทําใจในใจไม่เป็นเลยก็นี่แหละคือกระบวนการของมณสิการกระบวนการของการทําใจในใจทั้งหมดถ้าสังกับปัจเจกนี่แหละ ทีนี้ถ้าคุณเองได้ฝึกฝนมีกำลังมีกำลังของเจโตมีกำลังของปัญญาจริงที่มันมีกำลังของเป็นวั ส, สีของการฝึกสมาธิฝึกชาญจริงๆจิตมีกำลังในการทำคุณก็ควบคุมได้เก่งกว่าดีกว่าเยอะเลยไปการประมาณได้ดีกว่าเพราะงั้นก็ประมาณกับควบคุมทั้งไอตัว เจตนาควบคุมทั้งสัญญาสังขารวเวทนาควบคุมหมดควบคุมก็ออกไปเป็นบทบาทที่เหมาะควรแก่การงานจะเป็นงานข้างนอกก็ตามก็เกิดจากการจัดการจิตมันเหมาะวรกายกายปาคุณยะตา ก, ก็อีกคำหนึ่งเนาะ กายปาคุณยตาเนี่ยอันเดียวกันเลยก็แปลเดียวกันเลยความคล่องแคล่วของกายความคล่องแคล่วแห่งกองเวทนาสัญญาและสังขารอันเดียวกันเลยกายกายปาคุณตากายปาคุณตานี่กับกายกายกรรมมั ญ, ญตาเพราะงั้นที่อาตมา ย, ยกคําว่ากายกรรมมั ญ, ญตามาอธิบายก็ดีกายกรรม กายปาคุณตานี่ก็ตามมันมีความหมายความคล่องแคล่วคล่องตัวมันจิตหัวอ่อนจิตมีปัญญายานปฏิธิพานแววไวมันดัดหน้าทางปัญญาก็เร็วรู้เร็วทันควันปรับปรุงไวจิตก็ดัดแปลกให้เป็นอย่างนี้ได้เร็วอ่ามันทำได้ดีจึงเรียกว่าการงานอันเหมาะสมพอแปลความรวมแล้วว่า กระทําการงานอันเหมาะควรเหมาะควรเพราะว่าการได้ปฏิบัติเหตุจัดการกับเหตุอย่างได้ผลจริงๆอย่า ง, งที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้เห็นไหมนี่คือสภาพจริงแล้วมันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยกายพวกนี้กายกรรมัญญาตากายปาคุณ ญ, ญาตานี่มันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลย องประชุมของจิตกายนี่คือองประชุมองประกอบของจิตทั้งนั้นเลยถ้าคุณไม่รู้กายคุณก็มัวมาไปการทำงานเช่งอธิบายไปเมื่อกี้แล้วว่ามันก็มารูพฤติกรรมการงานเนี่ยทำการงานอันเหมาะวรคุณก็มาทากายกรรมวิจีกรรมข้างนอกโมดซึ่งมันเป็นปลายเหตุที่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมาเลย ไม่ได้มีการแก้ไขทางสมุทัยมาเลยนี่คือความผิดเพี้ยนที่รู้บัญญัติและก็รู้ความหมายของประมาทผิดปฏิบัติแล้วนอกจากไม่ไปขัดกลาวที่ต้นทางปลายทางก็ผิดเพี้ยนเพราะกายกรรมมั ญ, ญาตามันเรื่องของจิตแต่เข้ามาหมายถึงเรื่องของกาย เรื่องข้างนอกขอไปไม่ใช่เรื่องของการรือเากรรมขอ้างนอกมันก็เลยไปกันใหญ่ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในภาคผลก็ตามในภาคของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดการบรรลุธรรมก็ตามมันล้มเหลวหมดทั้งนอกและในมันล้มเหลวหมดทั้งสภาวะที่มันจะเกิดจริงมันล้มเหลวหมดเลยนี่คือความเข้าใจผิดน เข้าใจสภาวะเข้าใจสมาธิิไม่ได้ไม่ถูกต้องแม้แต่เป็นคำแค่นี้แหละคำแค่เทตามายกตัวอย่างไปอธินี้มาพูดถึง <c oughs> ชาติทวนชาติอีกทีหนึง่งเราไล่มาหมดแล้วผัสสะก็ไล่ต้องหสละญาตนา6วิญญาณหกสรยตนาหผัสสะหเวทนาหตันหา6 ก็หมายความว่าเกิดในขณะลืมตาหมดเลยทั้งทวารทุกอย่างแล้วหมดเลยนะเนะหกมดนี่มันก็เก็บเนาะอ่าสัจยะนา6ผัสสะหเวทนา6ตนาหอุปทานผ่านไปอุปทานเนี่ยนะไม่จะไม่ไม่อธิบายพบก็ผ่านไปนะพบก็อธิบายมามากแล้วการพบรูพอ ร, ร, รพบมหาชาติการเกิด ถ้าชาติสัญชาตินี่เป็นการเกิดฝังโลกียะฝังยังไม่มีปัญญาพอเริ่มต้นมีโอกันตินโอกนติที่จะแปลว่าความหยางลงนมันเกิดละมันเกิดเริ่มมีมักมีผลละน่ะถ้าไม่เลยนะถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยการเกิดหยางลงนี่มีเตกิเลหยางลงท่าเดียว กิเลสอกันตินี้มแตกิเลสอย่างลงไปพาเกิดท่าเดียวเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเลยว่าการเกิดของโลกียะหรือการเกิดของปุถุชนก็จะมีแต่เพียงการเกิดของชาติการเกิดของสัรชาติการเกิดโอกันติก็คือมีแต่กิเลสร่วมผสมโรงปรุงแต่งให้เกิดนิพตินิ ป, ภนปอภินิพติไม่มีเกิดเลย ไม่มีการเกิดอันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่สามารถปฏิบัติทำอย่างมีสมาธิจัดการลดกิเลสได้จริงมีสังกัปปะเจ็จริงแล้วก็ลดกามลดพยาบาทได้จริงมีกระบวนรลดลดลดได้จริงเนี่ยออกกันติจิตที่ยังลงมาอย่างลงมาเกิดก็จะ ถ้าเพื่อเอาเร ล, ลดไม่ได้ไม่เกิดถ้าลดได้ก็จะเกิดเริ่มเกิดเพราะฉะนั้นตัวอกกันติจะเป็นตัวกลางระหว่างชาติกับสัญชาติเดิมสัญชาติเดิมชาติกับสัญชาติเดิมตัวกลางพอมันสามารถทำให้กิเลสลดได้มันจะเปลี่ยนสัญชาติมามาเป็นเข้าหาสัญชาติโลกใหม่ คนชนิดใหม่บอกให้คนชาวโศกมันมีเชื่อชาวโศกไปมันจะได้เชื้อชาวโศกไปเรื่อยๆเกิดเป็นนิพพัตติการเกิดนิพพัติก็คือเกิดไปหานิพพานง่ายๆนิพพัติก็มีเชื่อภาษาภาษามันก็บอกอยู่แล้วนิพะนิพะนิพพานนิพุตนะนิพพัติอภินิพพัติก็ตัวปลายเหมือนกันก็ ตัวอินทรีย์กับพละหรือเหมือนตัวที่มันกําลังดาเนินอยู่กับประพัน์สุดท้ายอภินิพัติก็คือสูงไปยอดแล้วก็สุดก็คือจบเลยเกิดบรรลุเลยเกิดใหม่เลยเกิดเป็นผลเลยโสดาก็เป็นโสดาปฏิผลส ก, กิทาก็ส ก, กิทากับปฏิผลอนาคาก็นาคาอนาค า, า, คาปฏิผลเลยเป็นอรหันก็อรหันเลยอย่างนี้เป็นต้นอภินิพัติ นี่คือลักษณะของคุณสมบัติของจิตที่มันมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็จะเกิดตามที่ว่านี้เพราะนั้นถ้าไม่มีสภาวะก็เห็นใจนะอาาเห็นใจเขาถึงเขาแปลแปลนะ่ะความเกิดความบังเกิดความหยางลงแล้วก็เกิดเกิดจำเพานะน่พินิพัติเขาแปละว่าเกิดจำเพานะน่ะในภาษไปดกคำว่านิพัติเขาแปละว่าเกิดเฉยเฉยนะ่ะ แล้วมาฟุตโน้ตเอาไว้นี่ข้างล่างนี่ว่าไอ้เกิดนี่มันหมายถึงอะไรคือสังเสรชะปฏิสนธิไปโน่นเลยเป็นรูปธรรมตัวตนบุคคลเราเขาไม่ได้เข้าหาโอปปวติกาเลยแล้วก็ไปเอาบอกว่าการเกิดหนึ่งก็หมายเหตุ ว, ว่าความอย่างลงโอกันติเนี่ยคือการเกิดที่เป็นชาลาพุชชะหรืออันทชะโยนี้ไปโน่นเลย ปเป็นการเกิดชลาพุชยาโยนิสังสาสังเสริชาโยนิแล้วก็มาเป็นอา่อาชลาพุชากอันทช ะ, ทชะนั่นหมายถึงการเกิดหยาบพอสังเสริฐชาในการเกิดตัวเล็กตัวน้อยแบคทีรียตัวสัตว์เล็กส่วนการเกิดสามเกิดจำเพาะนี่คือการเกิดโอปปาติกะขมาขมบมายเหตุไว้ว่าอภิอภินิพัตติจึงจะหมายถึงการเกิดของ ปรมาณการเกิดของโอปปาติกะโยนิแล้ว ก, การเกิดของโอปปาติกะโยนิของเขานี่นะเขาก็ไม่รู้ว่าสัตว์โอปปาติกะมันเกิดยังไงเขาไม่รู้นะเขารู้ว่ามันเกิดไปเป็นสัตว์นรกเกิดไปเป็นเทวดาอย่างอาจารย์พรรัรตนสุวรรณเงี้โอ้โหเขาเขเข้าใจโอปาติกะเขาโปาติกะ แล้วก็เลยแม่มีตาทิพมีนั่งเข้าฌานครับตรงนี้นี่เกิดเยอะเลยขอขอพูดอีกคนหนึ่งแม่ของหลวงแม่ทําทําอะไรชัดสุมา่ะชัดสุมา่ะพระทําอะไรทำอะไรทํมันฮ ะ, ะ, ะทำมัำำำนันทานะ นั่นแหละแม่นั่นแหละเหมือนกันเลยไปทําบุญโอโหปาชานั่นไปทําบุญที่ตรงนี้ที่นี่โอปปาติกะมันเกิดอยู่ตรงนี้เยอะเลยโอปาติกะมันเกิดไม่ไปผุดไปเกิดตรงนี้เยอะ เ, เลยชงเลื้อยเยอะเลยอาจารย์พรเดงนถึงขายลงพิมพ์ไปทําเลยนะไปทําบุญให้สัตว์โอปปาติกะพรงนี้ไปสร้างเจดีย์ให้ก็มีบางที่ยังงั้นเลยอาจารย์พรท่านสุวรรณนี่ยโอ้โหชื่นใจรู้จักโอปาติกะเห็น มีมี ม, มีมีคุณธรรมสามารถนั่งรู้ละโอปาติกะเกิดตรงโค้งยุบอยู่นี่เลยยุบอย่างนี้เล ย, ย, ย, น, เลยนี่คือโอปปาติกะของเขาน่าสงสารมากเลยมันไม่ได้เข้าไปหาปรมัตัยเลยไม่ได้เข้าไปหาปรมัตัยเลยนี่คืการเกิดของโอปปาติกะของเขาเป็นอย่างเนี้ แล้วเมื่อไหร่มันจะบรรลุธรรมเห็นไหมมันโนเวนะภาษาอังกฤษโอ้โหยากแปลยากเลยโ no นเวย์น่มันไม่มีเลยไม่มีประตูไม่มีทางที่จะเกิดได้เลยข้อไปมันจะไปนนข่มเขาหรอกแต่พูดให้ฟังจริงๆเป็นการศึกษาเห็นแล้วหน้าสงสารห น, าหน้าเวทนา อธิบายกันมาอย่างนั้นแล้วก็เขาจังมันไม่เขา้ามันไม่มีแล้วโลกุตระทุกวันนีนะ้นี่คือการเกิดต่างๆที่เข า, าเห็นใจธรรมะเ็าเห็นใจเขาพยายามแปลแปลแปล้วก็ไปจับแพะมชนแกะเอาไวนะ้ขออภัยที่ไปวิจารณ์เขาเลยนะว่าการเกิดอย่างโอ ก, กันตินี่ก็คือการเกิดอย่างชลาพุชโยนี่ก็อันทชะโยนี่นี้เขาไม่เรียกโยนี่เขาเรียก ป, ปฏิสนธิ ชาลาพุทธะปฏิสนธิอันตชาปฏิสนธินนธก็เหมือนกันแหละแปลว่าการเกิดโยนิหรือปฏิสนธิแปลว่าการเกิดเกิดนะ อ, อย่างนิพพติก็การเกิดของสังเสตชะถ้าอภินิพพติก็การเกิดอย่างโอปปาติกะก็คือตัวตนบุคคลเราเขาหมดเลยเป็นการเกิดแม้แต่จะไปพูดถึงจิตวิ ญ, ญญาณคือโอปปาติกะปฏิสนธิหรือโอปปาติกะโยนิ มันก็ยังเป็นวิญญาณล่องลอยเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณนอกตัวไม่ใช่เป็นวิญญาณเข้ามาในตัวเราเลยไม่ได้เรียนเข้ามาหาประมัดในตัวเลยไม่ได้อ่านจิตอ่านใจไม่ได้รู้ว่าสัตว์นรกสัตว์เทวดามารพรมมันคือจิตแล้วคนเขาว่าเลนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันบ้าตั ก, กะสวรรค์นในอกนรกในใจ สัตว์นรกก็อยู่ในจิตสัตว์สวรรค์ก็อยู่ในจิตพวกนี้มันตักกะเขาว่านะเาว่าพวกเรานี่สตสักกะตงังหูจักนกเข่าบา่นกเข่าท่วงตาแม่เฮ้ยแมวคือมันตาใยแท้เงี้น่ะนกเข่าท่วงตาแม่นกเข่าแมมมันทัก ตาแม่บอกแม่ไว้ตาโตจังเลยไอ้ลูกมันก็ตาโตเมื่อกี้มันทัดแม่ตาโตจริงๆนะมันชี้ทักคนอื่นนะมันสามนิ้วชี้ตัวเองหนึ่งนิ้วชี้คนอื่นนะไอ้รูปรธรรมพวกนี้ก็จริงนะดีจังเลยมันบอกสัตว์จะทำเยอะเงนินนะเขาก็ว่าเรานี่แหละเป็นพวกที่ตักกะ ไม่มีสภาวะไม่มีตาทิพย์จริงไม่เห็นโอปปาติกะอย่างที่เขาเห็นนน <c oughs> ่จริงจริงอาตมาเล่นอัศเยศาสตร์มาเนี่ยอาตมาเห็นพวกนี้มามากกว่าเขาเล่นมาหนักสัตว์นรกเทวดาขั้นพื้นขั้นพรหมมรูปพรหมเล่นมาหมดแล้วเจอกันมาเช็คแทนพระพรหมอารูปพรหมมาหมดแล้วโอ้โ ฮ่าว่าเราเองเราไม่รู้จักหาว่าเราไม่มีไม่เป็นขออาัยตึกทําเป็นแหววดดวดดีคุยโม่โ อ, อวดัดมากเกินนะแต่ก็ผ่านมาจริงไม่ได้โกหกอะไรเราก็ทํามาเรารู้อย่างที่เขาเป็นนะรู้เป็นมโนโมยอัตตาที่เขาไม่เข้าใจนะมโนโมยอัตตารูปที่สําเร็จในจิตเรปั้นขึ้นมาเองมันไม่มีจริงหรอกนะแต่เขาเขมีจริงๆเขาเห็นจริงๆเขาเกิดจริงๆเพราะอุปทานเป็นได้งั้นจริงๆ มันเป็นหลอกเมือกับรถอะไรมันหลอกจริงๆเนี่ยมันมีจริงๆโอ้โหทําป็นล่าไม่หมดทุกทีอ่าหรคนติดสวยนี่ก็โอ้โหเมื่อไรมันจะเลิกสวยทีนะเห็นที่ไหนก็สวยอยู่ทุกทีเลยอ่าแต่สุดท้ายหนักๆเขาเออมันจางคลายไปสุดท้ายก็เออก็แบบโลกโลกแต่ก่อนแล้วก็ว่ามันสวยดูดึงนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ดูดึงแล้วเออดูตามสมุติโลกว่ามันสวยอ่าบอกพี่พวนี่ก็โอ้ลูกสีสวยสดดีเนาะแล้วก็เห็นว่าสวยก็ไม่ได้ดูดึงอะไรเอ่ อะไรนี้เป็นต้นมันจะรู้อ่านซ้อนลงไปได้เลยว่าไอ้นยะของความเป็นสัตว์โลกนนยะของความเป็นโลกียรมโลกียรมหรือโลกียรสมันจางคลายหรือมันดับส่วนในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็เห็นธรรมชาติธรรมด า, ร, ารับธรรมชาติธรรมดาเหมือนกันกับที่คนอื่น ตาไม่ถัว่วหูไม่เพี้ยนจมูกไม่เพี้ยนประสาทลิ้นไม่เพี้ยนกายสัมผัสไม่เพี้ยนอะไรเหมือนกันเนี่แต่อารมณ์ของใครของมันกิเลสมันปั่นของเราเป็นยังไงของใครของมันนั่นตั้งหากที่มันลดได้จริงดับได้จริงหมดโลกียะหรือหมดความเป็นสัตว์โลกได้จริงเพรา ะ, ะความไม่เกิดนี้จึงไม่เกิดความเป็นสัตว์โลก สัตว์นรกสัตว์สวรรค์อะไรก็ไม่เกิดหมดดับแม้แต่ความเป็นพรหมเราก็ต้องเข้าใจว่าเออจิตสะอาดแล้วเราก็มายึดยึดพรหมรูอจิตสะอาดนี่เป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเป็นอุปกกเรตอีกอันหนึ่งซึ่งคุณจะรู้เองว่าเออแม่จะเป็นพรหมแล้วหรือแม้แต่สุดท้ายได้นิพพานก็ไม่ยึดนิพพานว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คุณก็ตัวใครตัวมัน คุอยากจะยึดอยู่กับมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าจะยึดแล้วเนี่ยนะเป็นพระพรหมก็มีแต่ประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นนิพพานแล้วก็มีแต่ทํางานช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีบาปเลยสรรพเพปสรรพปร ะ, าประากรารนังแล้วกุศลสุบสัมปท า, ท, าทำแต่ดีแล้วไม่แต่ประโยชน์ในโลกก็ไม่ว่าอะไรจะทํามือนพระอวโลกิเตศวนนี่ก็เชิญเลยทําตลอดกาลนานไม่ยอมที่จะวางอัตตาวางปารมาวางอาตมันนั่นนี้แล้ว ยึดไว้ไปเป็นไรแต่เป็นพรมให้ได้เจ้ากันให้ใจมันสะอาดแล้วจริงก็แล้วกันกิเลสหมดจริงก็แล้วกันกิเลสลดจริงคุณจะถืออยู่ยึดอยู่เพื่อทําประโยชน์เพราะพรามันมันเป็นหลักประกันว่าคุณไม่มีเหตุชั่วไม่ไม่ทำชั่วยังไงก็ไม่ทำนะไม่ทํำจริงจริงสัจจะมันจริงอย่างนี้อมันก็ไม่มีเสียหายไม่มีบกพร่องอะไรนะนี่คือลง อธิบายย้อนมาจนกระทั่งมาถึงชาติชาติแล้วอ่าเอาทีนี้ขึ้นบทใหม่โอ้เกนาฬกเก้านาทีแล้วอ่อขึ้นบทใหม่ข อ, อนิดหนึ่งก็แล้วกันโอ้กว่าจะไปหมดวิพังกระสูตรนี่นะอาตมาทวนอยู่เนี่ยนานมากหลายเดือนก็ขึ้นบทที่สามบสูตรที่สาม ปฏิปทาสูตรอ่านไว้ไม่ยาวเลยนะสูตรที่สนี่ท่านว่ า, างงี้พระภูมิภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาดบินตกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีจุดจุ ด, จ ด, จดพระภูมิภาคตัสว่าดูกราพิสุจทั้งหลายเร า, าาาเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาและ สัมมาปฏิปทาพวกเธอจงฟังปฏิปทาทั้งสองนั้นจงใส่ใจให้ดีเธอเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระพุทธภาคแล้วพระภพุทธภาคก็ได้ตัดว่าดูภระพิสุท์ทั้งหลายก็มิจฉาปฏิปทาเป็นไฉใดดูภระพิสุททั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจุด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไล่ไปจนหมดขบวนนั่นแหละความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาปฏิปทาไ ป, ปาแลข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเพราะถ้าข้อปฏิบัติที่เป็นมิจฉานี่จึงเกิดตัวเหตุปัจจัยตั้งแต่อวิชชาไปเลยแต่มันก็ไปกระบวนไปหมด พ่อวิชาสังขารก็เป็นสังขารผีสังขารที่ควบคุมไม่ได้วิญญาณก็วิญญาณผีควบคุมไม่ได้เพราะไม่รู้จักนามรูปอายตนะมันก็เกิดจริงเป็นจริงผัสธะมันก็มีจริงมันก็เป็นไปผีเดินทางไปตามสะพานอายตนะมีผัสธะมันก็ไปปรุงแต่งเพิ่มสร้างเวทนาไปตามอารมณ์นะเสร็จแล้วก็ไป เ, เรื่อยเบิ่มเบอตันหาไปเรื่อยบําเลออุปทานไปเรื่อยพบโตชาติก็โต โสกปริเทวทุกขโทมนุปยาสก็เป็นนิทานของโลกไปเรื่อยเลยให้เขาเอามาเขียนเป็นนิยายสร้างหนังสร้างละครมาดูกันไปต่อเสริมกิเลสต่อไปอีก <c oughs> เอาทีนี้ข้อ21บอกว่าดูกระพิสูจน์ทั้งหลายสัมมาปฏิปทาเป็นไนเพราะอาวิชชานั่นแหละดับ อันนี้เนี่เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยอันตนน้นมิชาปฏิปทาเนเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยตัวเดียวอะอวิชชาเป็นปัจจัยตัวเดียวอะสังขารก็เป็นปัจจัยต่อไปจนกระทั่งครบขบวนทีนี้พออันหลังนี่บอกว่าเพราะวิญญาณดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยพระกาลชนินี่เรียกว่าสัมมาปฏิปทา สั้นจบแล้วปฏิปทาสูตรมีแต่เป็นปัจจัยแล้วก็เกิดเกิดเป็นกระบวนไปหมดเลยนี่มิชาปฏิปทามีแต่เกิดกับเกิดเป็นปัใจจัยให้พายเกิดก็เกิดไปอย่างอาวิชาทีนี้ถ้าอาวิชาดับด้วยการสํารอกสํารอกไปกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ สังขารดับวิญญาณดับอะไรดับดับรับตอหมดเลยเป็นขบวนไปจนกระทั่งจบปฏิสมุบบาทนั่นน่ความดับแห่งกองทุกขทั้งมวลย่อมมี้วยประการอย่างนี้พระยาอัตมาอธิบายมามากมายแล้วที่อธิบายไปแล้วนั่นแหละต้องรู้จุดที่จะดับ ระดับอะไรตรงไหนดับแล้วมันอะไรดับสุดท้ายเจาะลงไปจนกระทั่งถึงสังขารต่างๆอวิชชาสังขารจนกระทั่งอธิบายไปจบผ่านไปเมื่อกี้นี้และสังขารส่วนที่ดับหรือตัวเหตุที่มันทำให้เกิดสังขารที่ดับเพราะอาวิชามันดับเพราะมันไม่มโง่แล้วมันฉลาดมันเป็นวิชาไม่ใช่ฉลาดแกมโกง แต่ฉลาดวิชาจริงๆมันจึงทาให้สังขารวิญญาณนามรูปอะไรรเนี่ยสังขารอย่างไม่สังขารสังขารอย่างไม่มีกิเลสตัวนั้นมาสังขารแล้วนี่คือเนดับถ้าทำได้หมดมันก็ดับหมดเลยเพราะอวิชชาเต็มสังขารสะอาดหมดไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลย วิญญาณก็เป็นวิญญาณพรหมวิญญาณสูงสุดเป็นวิญญาณอรหันต์นามรูปก็เป็นนามรูปที่เห็นชัดเจนอายตนาเกิดมาผัสสะเกิดไปเวทนาก็อยู่ยังโอ้โหจิตเวทนาที่เป็นเวทนาสูงสุดฐานนิพพานหรือเวทนาเป็นตัวแกนของนิพพานสังสมเวทนาส่วนอดีตส่วนอนาคต จนสมบูรณ์แบบเป็นอุบเบกขาสมบูรณ์แบบสังขารุปเปกขายานสัจจานุลบิกยานอะไรเต็มเหนียวได้เลยแล้วแต่จ ะ, จ ะ, จะแ้แต่จะทำนะเพราะงั้นอันนี้ท่านก็บอกทิศ ท, ทางไว้เท่านั้นปฏิปทามิจฉากับสมาไม่ได้ลงในรายละเอียดอะไรเพราะนะั้นสูตรนี้ผ่านไปสูตรที่สี่วิปัสสี ทีนี้เอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มามามาม า, ม า, มาอธิบายมาเป็นตัวอย่างไว้ก่อนจะมีตัวสำคัญในวิปัสสีสูตรเนี่ยท่านจะเน้นตัวสำคัญเอาไว้วันนี้ยังไม่อ่านเพรุ่งนี้เราได้บรรยายอีกกี่วันนี้เราไปกลับไปนน่นละ พรุ่งนี้วันพุธวันพุธพรุ่งนี้แหละต่สันค่าสร้างค น, นวันประหัสขารักสมิติวันศุกร์นได้อธิบายาอันนี้อีกคันหนึ่งวันศุกร์อีกวันหนึ่งไว้คอยวันศุกร์ไว้คอยวันศุกร์มีปัดสีสูตร นาไม่ึ้นวันศุกร์หมายเหตุไว้ก่อนไม่ค่อยได้จำอาตม า, ตมาจดยอย่างเดียววันนี้วันที่ยี่สิบฮสิบเก้ายังไม่ยี่สิบนอโอเอาละเล่งวันเล่งคืนละสิบเก้าซ้อคอถึงตรงนี้ อัตมาจะนำไว้นิดหนึ่งก็ได้นะสูตรนี้เนี่ยนะวิปัสสีสูตรนี้ท่านก็นเอาพระพุทธเจ้าแต่ละองค์หลายองค์มายกตัวอย่างแล้วพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะย่อให้ฟังนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกองคในท่านเน้ น, เ น, นสำคัญก็คือโยนิโสมนสิการที่สูตรนี้ เราจะได้เน้นกันสําคัญโยนิโสมานสิการเพราะงั้นถ้าใครโยนิโสมานัสิการไม่เป็นจบพระบุตรจ่าทุกพระองค์โยนิโสมานสิการเป็นทั้งนั้น น, นี่นาไว้ก่อ น, นแล้ววค่อยอ่านมันมีอยู่สองหน้ากว่าเกือบสมหน้าหนึ่งสองสามเกือบสมหน้าไม่ถึงสหน้าดีสองหน้ากว่ า, าแล้วค่อยอ่านค่อยอธิบายกัน มันจะมีอื่นอีกอวัดวีปัตสีนี่กับพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งสูตรที่5สิกขีสูตรสิกขีสูตรก็เน้นทําไว้ในใจไปพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งที่นี้ก็มาถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้มหาสักกยมุนีสูตรมหาจักกยมุนีก็เน้นอันนี้เหมือนกันก็จะหมดในภาคแรก ของวัคที่หนึ่งเรียกว่าพุทธวัค ก, ก็จะหมดหมดพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆนี่แหละสองสามองค์เท่านั้นเองแล้วก็นำไว้ให้ดูก่อนว่าท่านก็เน้นตรงที่โยนิโสมนสิการทั้งนั้นเพราะเห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยโยนิโสมนสิการเป็นตัวหลักทำใจในใจ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มาแปลคำว่าทำใจในใจเป็นการพิจารณาเท่านั้ น, นพิจารณาให้ท่องแท้มันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ครบเลยมันไม่ผิดแต่มันไม่ครบเลยมันเบามากพิจารณาให้ท่องแท้เท่านั้ น, นโยนิโสมนสิการก็ไปแปลไม่ได้ไปแปลว่าการทำใจเลย เขาแปลนะการทําแจนในใจให้เจ็บคายให้ท่องแทะแต่เวลาอธิบายความแล้วก็คือเอาแต่อธิบเอาแต่เอาแต่พิจารณาเอาแต่คบแต่คิดเอาแต่รู้แต่ไม่ได้ควบคุมจิตควบคุมใจมันออกไปไกลาจากประมัตดมากเลยเพราะฉะนั้นก็ควบคุมจิตควบคุมใจไม่เป็นมีสาย เ, าเจโต ไปควบคุมจิตควบคุมใจก็คือทําให้จิตมันนิ่งทํามให้จิตสงบหรือทําให้จิตมันใสใสก็สะกดมันไว้ทั้นั้นส่วนสายปัญญาสติมีสติรู้รู้อะไรแล้วก็วางเฉยเฉยก็สมถะลืมตาอีกเหมือนกันหรือบางทีก็เอาสมถะยกมือนะจิตอยู่กลางใจมือน้ยกนี่วิปัสสนาแล้วสมถะงะจิตจดจอ่จออยู่กลางใจมือหรือมันก็เดินยาน่างเนอก้าวเนอ เขาเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงน ะ, ะปลายเท้าแต่หนึ่งกลางเท้าลงสองส้นเท้าลงสายกส้นเท้าซ้ายหนึ่งกล่าวเท้ายกสองปลายท้ายยก สามเก้าสีแต่พื้นหนึ่งเดินเขาทำอยู่อย่างงี้ไม่เมือ่อยเขาได้ออกกำลังกายเหมือนกันนะโอเอ็กซเซอร์ไซส์เขาใส่เงือตกเงนเนาะเนทําโอ้โหไม่ขบวนออกโทรทัศน์เนี่ยเห็นไ ม, ม่ชงไมชีมผู้ชายก็ตามทุ่งขาวห่มขาวกันเดินจงกลมกัน มันก็ได้จิตสมร t นะแล้ว ก, ก็มองว่าวิปัสสนาคือมีสติมีสติแล้วก็เห็นอิริยบทต่างๆว่าเราอริเยระบทยังไงคือพูดอยู่นัน่นแหะมันไม่เข้าไปหาใจในใจจิตในจิตเลยแล้วไปวิวิจัยเลยว่ามันจะไปถึงอุดสมุทัยตรงไหนเหตุตัวกิเลสตัณหาบันตัวไหนไม่ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเข้าไปเลยตัดทิ้งหรือไม่ก็ให จดจออยู่ที่อะไรทั้งนั้นเลยพูดแล้วมันไปขม่มข่มเขาอาตมาก็เกรงใจเกรงใจมันไปดูถูกดูแคลนเขาตีเขาทิ้งใหญ่ลวเกิน เ, เก่งลวเกินเองมาจากไหนวะสำนักก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีโผล่มาก็มานั่งว่าคนนั้นว่าคนนี้ ถ้าไม่มีพระเตปิดกนีย่ยจะตะวัคุณเอนออาตมาตายนานแล้วอตาตมาเอาพระเตปิดดกหนีไงนีไงเขออาช่วนนิดหนึ่งเขออาชวนิดเดียวนะเขาก็ยังไม่เชื่อเยอะแยะเพราะว่าครูบาจาไม่ได้แปลแบบอตาตมาทั้งหมดเลยเขาก็แปลเพี้ยนไปเพี้ยนมาบ้างอะไรบ้างอาจจะตรงบ้างแต่บรรยากายเป็นปกลายเป็นโลกตีความเป็นอย่างเขาตีความกันไ ง, งเกิดเกิดเป็นชราพุทธชาเกิดเป็นอันตะชา เกิดเป็นโอปปาติกะ เ, เป็นสังเสทชาก็ไปใส่หมดเลยเป็นตัวตนบุคคลเราเขาหมดเลยอะไรเงี้ยยางงั้นเนี่ยมันก็น่าสงสารเห็นแล้วนะอาิจารย์ก็พอท้องขึ้นแล้ววักทีนี้ถึงพวกคุณจะว่ากันไปโอ้เพอเพๆปาปากันไปทั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเ้ยอ้าใครได้ไมโครโฟนโอ้ยังไม่ได้แจกไมโครโฟนกันเด้อ อ้าวยกมือนะนะดินอ่อเย็นอ้าวใครจะอีกก็ยกมือไว้ใครจะนี่ยยกมือไว้แล้วเข้าไมโครโฟนเดินไปถึงมีผู้บริการดีแล้วอ่าอ้าได้ได้แล้วได้เราเลียงไว้ แล้วพอท่านนี้จะพูดจะหมดก็ยกมือแล้วเดี๋ยวเขไมโครโฟนนี่เปลี่ยนไปเขากาดค่ะที่ช่างยนเย็นชาวหินฟ้าค่ะจะขอพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุติบาทค่ะก็คือว่าลองร้อยเรียงถึงสภาวะนะฮะว่าเริ่มต้นก็คืออวิชาที่เราไม่รู้นะฮะก็คือตากระทบก็เห็นนางเล็บนะคะเข้านางเล็บผ่านมา โดยมีข้าวนางเล็ดเป็นผักสะนะคะก็คือจิตมันก็จะสังขารกรบดีนะตาเห็นนางเล็ดก็น่ากินจังนะคะเห็นวิญญาณผีความอยากกินเกิดขึ้นมาในใจนะคะก็เห็นกายในกายะมีความอยากเสพข้าวนางเล็ดทางปากนะก็เกิดลาคะ ขัดสะคือถาดข้าวนางเล็ดมันไม่เลื่อนมาถึงเราสักทีหนึ่งมันจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะก็เกิดเวทนาคือทุกไหนระหว่างรอคอย <c oughs> ว่าถาดข้าวนางเล็ดมันไม่มาถึงนะมันมาถึงเราหรือไม่น้อ <c oughs> จะถึงไม่น้ อ, อาาต า, าค่ะปัญหาเราก็เกิดความอยากจะต้องกินข้าวนางเล็ดให้ได้ค่ะ <c oughs> ก็คืออุปทานที่เคยได้สัมผัสตาเห็นรูปหน้ากินลิ้นก็ชิมรสอร่อยอหูก็ได้ยินเสียงกรอบนะบกรอกจมูกก็ได้กลิ่นหอมคือความพึงพอใจก็เกิดขึ้นในข้าวนางเล็ดนะค ะ, ะ, ะเมื่อตากระทบข้าวนางเล็ดก็มีพบเกิดขึ้นทันทีมแม้ยังไม่ได้สัมผัสก็ปูงแต่งเกิดขึ้นในจิตนะคะในระหว่างที่รอคอย <laughs> <laughs> เห็นวิญญาณอันทุกข์ทรมาน ว่าถาดนางเล็ดมันนั่นมันไม่มาถึงพอมาถึงก็หมดเสียแล้วก็เห็นชาติเกิดคือสัตว์เป็ดนะคะที่มีความอยากเกิดขึ้นเห็นจิตใจร้อนแล้วอุที่ไม่ได้กินข้าวนังเล็ดนะคะอแล้วผูกพยาบาลไว้ต่อไปข้าวเนาะแล้วก็เอ้ยข้าวหน้าค้าจะเป็นนั่งตรงงดน คือเข้านางเลสนี่มันเป็นทุกข์ก็เห็นความทุกข์นะคะทุกข์ที่มันไม่ได้กินแล้วก็จิตใจเรามันร้อนอแล้วทีนี้ไอ้รสนี่คือตัวที่กิเลสตัวอื่นก็พอได้แต่ว่าไอ้รสชาตินี่ยมันจะตัดยากที่สุดนะคะไอ้ตัวนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะตัดแบบไหนค่ะขอถามพ่อท่าน <c oughs> ทีนี้ค่ะ <c oughs> ต้องพิจารณาซ้มๆจริงๆว่าเรื่องของความสุขมันเท็จอารมณ์สุขเนี่มันเท็จ ต้องพิจนรณาจริงมันเท็มันไม่เที่ยงตรงไหนก็มันสุกแวบนั้นนะตอนไหนที่คุณได้สัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งพับไอ้สิ่งนั้นเหตุปัจจัยหมดไปถ้าคุณได้ข้าวนังเล็ดมากินคุณก็จะสุกตรงนั้นพอผ่านจากสุกจากข้าวนังเล็ดเนี่ยมันจะกินผ่านหยุดไปแล้วไปไปก็ไปหาสุกอื่นแล้วไปสุกเดินสุกนั่งสุกทํางานสุกไปกินอันอื่นหรือสุกเป็นเต้นไป็ําสุกไปหรือไปละไอ้สุกนี่ก็ผ่านไปแล้วมันไม่เที่ยงใช่ไหม สมนไม่ได้อยู่กับคุณมันแวบเดียวที่คุณไปยึดว่ามันเป็นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสภาพนี้แล้วคุณก็นึกว่าเออสภาพนี้แหละของจริงมันไม่จริงมันเกิดขึ้นมาปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยและคุณก็เอาอื่นกรบเกื่อนไปอัตมาจะขยายต่อให้ฟัง <c oughs> คุณตายไปนี่นะเจ็วิญญาณของคุณนี่ไม่มีแล้วตาหาูจมูกลิ้นกายคุณอยากกินข้าวนังเล็ด และคุณก็ไม่ได้ข้าวนังเล็ดและคุณจะหยุดไหมคุณไม่รู้หรอกว่าคุณตายคุณก็จะต้องไปว่าเออไปในครัวครัวมันก็ไม่มีคุณก็ไปสร้างครัวตามวิมานคุณครัวนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่ได้นิมิตให้มันมีข้าวนังเล็ดอยู่ในครัวนั้นตามวิมานสร้างเองนะ คุณก็จะไปหาอีกหาอีกหาอีกแล้วจริงๆมันก็ไม่มีอ่ะนี่แหละคุณก็จะไม่เจอข้าวนังเล่นนี่อีกเท่าไหร่คุณจะส่ะแสวงหาอีกกี่นานปีก็ไม่รู้คุณไม่รู้นะว่าคุณตายแล้วคุณก็ไม่รู้ไม่จริงด้วยแต่กี่เดือนถ้าคุณขึ้นนะคุณขึ้นนะแต่อันี่มันเห็นอยู่นี่มันมีแล้วดิมันก็หายไปตอนนี้คนมาเอาไปก่อนอะไรคุณก็มได้เปลี่ยนไปอื่น แต่ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าไอ้ข้าวหนังเด็ดเนี่ยจบแล้วก็ไม่มีอื่นเลยนะเรื่องอื่นนี่มีนิยายเรื่องนี้มีข้าวน้องเด็ดอย่างเดียวนะคุณก็จะอยู่กับเรื่องนี้ท่านั้นเท่านั้นนะคุณก็จะจานจะจดจะจ่อจะอะไรอยู่นี่เลยแล้วก็คิดหาทางในเรื่องข้าวหนังเด็ดเนี่ยสมมุติว่านี่ไม่ลืมตานี่แหละคุณก็จะไปสร้างนิทานนะไม่มันไม่ไม่วางเรื่องข้าวน้องเด็ดเดี๋ยวไปเดินที่ไหนมีมาไปมีอเขมีเจ้านึงโอ้โหตัวนี้ เจ้านี่มีข้าวนัง เ, เล็ดเราจะไปเอาอเขาไม่ให้ของเขาอขอซื้อซื้อก็ไม่ขายให้ราคาแพงแพงก็ไม่ขายไม่ขายจริงๆเหรอบีบคอเลยเอาก็จะกินจริงๆนี่คือนิทานมันเป็นอย่างนี้ในโลกมันมันก็พยาบาทต่อเราดูเหมือนเราไม่ได้พ ย, พยาบาทดูฟังมันแรงคุณจองเวน คุไม่ได้ปล่อยหรอกเพราะคุณไม่ได้เห็นว่าเออไปติดย่ามันทําไมวะไอ้ข้าวหนังเล่นนี่มันกินกินอันอื่นแทนก็ได้ถ้าคุณปล่อยวางงนี่มันก็เลิกไปแต่นี่คุณไม่ไคุณก็เออไม่ได้วะเออไม่ได้ไม่ได้คุณก็จบนะแต่จริงมันจิตมันไม่จบนะมันตกตะกอนไว้มันไม่จบนะมันจองไว้เพราะคุณไม่ได้ไม่ได้พิจารณาอะไรมันไม่ได้คิดจะเลิกจากอะไรมันเลยะ หนึ่งไม่เที่ยงสองไม่จริงสองประเด็นหลักๆเนี่ยไม่เที่ยงก็คืออนิจังไม่จริงก็คืออนัตตาไม่มีจริงหรอกไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีความใส่สุขความอร่อยไม่มีมันมีตัวเดียวคือทุกข์อันนิจังทุกขังอนัตตามันทุกมันจริงตัวเดียวทุกมันไม่มีมันไม่เที่ยงมันไม่จริงอันนิจังอนัตตา แต่คุณหลงบ้าอยู่ไว้ทุกเนี่ยเฮแตงทุกนี่แล้วมันเลยจริงอยู่ที่ทุกนี่ท่านถึงเรียกสัจจะอริยะสัจจะผู้มีอริยะก็จะรู้สัจจะตัวนี้ว่าจริงๆมันไม่จริงฟังออกมาจริงจริะมันไม่จริงจริงๆในสองทีนะจริงๆริะมันไม่จริงไม่จริงในทีเดียวจะจริงๆรในสองทีนะ เห็นหมาเพราะคนที่จะเข้าใจว่าอ่านให้เกิดญาณปัญญาเห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตาเห็นห ม, มันไม่มี จ, จริงหรอกว่าไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีอันนี้นะทีนี้ถ้าคุณเห็นว่าเออทีหลังมาเนาะข้านังเดจมามันก็ไม่มีตัวตนของกิเลสอยากเออไว้ดีคุณก็จะรู้สึกว่าอะไรมันทุกข์ไหมล่ะเอาสมมติว่ามันเข้านังเดจมา คุเกิดไม่อยากเห็นแลเออเอาล้ไม่กินก็ได้แล้วไม่ติดไม่จะจะติดใจอะไรแล้วอะไรจริงจริงคุณจะทุกข์ไหมอ่ะมันก็ไม่ทุกข์เห็นไหมล่ะก็หเหตุผลแท่ น, นี้คุณก็ทําได้แล้วคุณก็ฟังรู้เรื่องแล้วทําจริงๆเป็นจริงๆสิถ้ามันเป็นจริงถาวรด้วยญาณปัญญาที่แท้จริงมันก็จบเข้าใจไหมออเคยทําได้มั้งไหมล่ะเออตอนนี้มัน เบาบางไปมากมันไม่แรงอะเคยทําได้มาไหมล่ะเคยมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นเองเคยเคยเลยยังไม่เที่ยงเลยมันยังไม่เท่าเก่าเลยหรือบางทีมันก็ไม่มีใจบางครั้งบางคราวมันก็ไม่มีบางครั้งมันก็ไม่มีมันก็คือมันไม่เที่ยงในธรราะมันผู้ที่เห็นว่ามันไม่เกิดอีกเลยเมื่อใดก็ไม่เกิดอีกนั่นนพูนั้นเห็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่มีแล้วมันไม่มีหรอ เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนสุญญาตาอนัตตาสุญญาตานีน่ในเหตุผลหรือบัญญัติก็อธิบายสู่ฟังกระจายความสู่ฟังก็ได้แค่นี้ส่วนความจริงคุณจะไปทำได้ยังไงก็ไปปฏิบัติ ด, ดูสภาวะให้ได้อ้าอาอาออออเห็นแสงคนที่สองคนที่สาม<อ>ได้ไปแล้วเมื่อกี้คนที่สามอะไรเอ า, เรามาตามามครโฟนไปแล้ว ใครยกมือทีใคร <Hello. S 1> อ้าวออกอยู่ที่เองอวัอ้าวเอาเลยครับก็ตามที่ผมเข้าใจว่าถึงความดับที่ว่าวาจีสังขารดับอแต่กายสังขารก็ยังทํางานอยู่ใช่มีทั้งทวารหือายตนาหกสัมผัสหใช่คือเกิดอยู่แต่ว่าวจีสังขารที่เราปรุงอยู่ในใจมันดับไปแล้วอคือการดับพยาบาทดับไม่เกิด อวิชาดับอะฮะเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มันดับอแต่ว่ากายกายสังขารก็ยังเกิดอยู่อจิตสังขารก็ยังเกิดอยู่ใช่จิตใสขึ้นด้วยเพราะไอ้ตัวเหตุดับเพราะพอดับไปแล้วค่อยมาดับกายดับจิตฮะพอเกิดอีกทีก็ทําไมถึงจิตสังขารเกิดเพราะว่าเป็นตัณหา วิภาวะตัณหาจิตก็ตั้งจิตเกิดขึ้นมาที่จังขารมันทำงานงามันก็ต้องทำงานรวมก่อนเป็นวิภวะตัณหาก็อนจะมาปรุงเป็นวิจีสังขารเพราะว่าอาวิชชาดับไปแล้วแต่นี้ที่เกิดคือเกิดวิชาแล้วก็จิตตั้งจิตขึ้นมาใหม่ก็เป็นออกมาก็เป็นกา ย, ยาสังขารต่ อ, อแล้วก็ปรุงเป็นวจีสังขารเรื่องของวิชาทั้งนั้นครับ อ้าวดีเข้าใจขึ้นเยอะทาให้สภาวะวามันเป็นจริงเป็นจริงอย่างที่เป็นที่ว่านี่เราเข้าใจบัญยัสไปก่อนเป็นปริยัติอ้าวต่อมาขอโอกาสครับอ้าวไมโครโฟ น, นตอนนี้เขายกมือ อ, อ้าวเอาซิขอโอกาสครับอ้าวแยกกันแล้วได้ไมโครโฟนคนละตัวมันมีไมโครโฟนสาตัวในวันี้เรยุ่งกันใหญ่ผมเท้าแกงทำนะครับอ้าวขอโอกาสพูดตามความเข้าใจนะฮะในสังคปะ7นะฮะ เป็นรอบที่จะเข้าสู่สัมมาสังกปะนะฮะครับ <c oughs> ในความเข้าใจของผมสังกัปปะเเป็นตัวต้นทางนะฮะ <c oughs> เป็นกระบวนการนะใหญ่เลยสังกัปะ7ตเนี่ยเป็นกระบวนการใหญ่ของต้นทางทีง่จะไปสู่ความจะเป็นสัมมาหรือวิชานะครับอือันั้นในกระบวนการของสังกปปะ7ตเนี่ยตั้งแต่ตะกะวิต ก, กะจนกรทั่งสังกปะนะฮะถ้าหากเป็นสัมมาขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่ง ถึงขั้นออกมาเป็นว จ, จีกรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็ น, นับว่าเป็นเป็นการจบกระบวนการของว จ, จีกรรมซึ่งต่อไปก็จะต่อทอดไปสู่กรรมมันตะนะครับแล้วก็จะต่อทอดไปถึงอาชีวะที่จะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่ว่าจะเป็นไม่แน่หรอกเป็นว จ, จีสังขารแล้วเสร็จนี่ว จ, จีสังขารให้ออกไปเป็นกรรมมันตะเลยก็ได้ให้ไปออกเป็นอาชีวะก็ได้คครรัับบได้ครั บ, รบว จ, จีสังขารนี่คือตัวต้นทางของมโนครับ มโนรวมที่มันเสร็จเป็นสังขารจิตที่มันเป็นรวมแล้วมันเป็นจิตสังขารทั้งหมดนั่นแหละเป็นมโนโปุพังครับมันจะออกไปไปเป็นกรรมจะเป็นวิจีก็ได้บางทีวิจีเราไม่ได้พูดเลยก็เป็นกรรมมันตะครับกรรมมันตะไม่น่าไม่ต้องทำงานไม่ใช่สบายสบายไปทำงานอาชีพเลยไปทำงานหลักเลยก็ได้ครับที น, นี้ผมร้อยเรียงไปในในลนักษณะที่ว่าเป็นในหลักของมรรคองแปดนะครับอ่ามันก็จะเป็นขั้นตอนของของตามไร่ตามพญานาตามลำดับมันเป็นอย่างนั้น ซึ่งที่จริงแล้วในขบวนการต้นทางนี้แหละจะเป็นขบวนการที่จะทำให้อาชีวะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในสุดท้ายของพระญาิระดสูงระดับพระอนาคามีถูกต้องครับแค่นี้ครับอ้าวอครับขโอกาสครับอ้าวเอาเลยผมเย็นยิ่งครับขอโอกาสพวกเราทุกคนครับก็จะเล่าว่า ผมนอนอยู่ชายแดนนะครับสุดชายแดนบนเรือยันซั่วนะครับคือตรงนั้นมันติดกระเมร์นะครับยานซัวยานซั่วลันซั่วยานซัวกลัวชั่วนะครับอ้าวกลัวชวนแหละก็ตรงนั้นมันติดกระเมร์นะครับวัดีเรือที่ผมนอนก็มีเด็กหนุ่มลูกน้องท่านพอแล้วนอนอยู่ด้วยครับสองคืนที่ผ่านมานะครับเขาบอกอ้าอผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นนะอ้าผมก็ ได้ยินครัง้งแรกก็ตกใจเอ๊ะพวกเรามาร้องไห้ตรง น, นี้เป็นไปได้เหรือพวกเรานักแบบทำคงไม่มาร้องไห้เสอือกสะอื้นอย่างเงี้ยอ๋อเขาคงหมายถึงผีนะเดี๋นึกพอถึงปิพอหมายถึงผีปั๊บจิตอธุรกายเกิดในใจตัวเองกันนะเว็บแล้วมันก็มีตัวที่มันเร็วมากครับเอสโลติสพระโพธิลั ก, รกษรัวผีด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> แต่แล้วก็มันก็เกิดตัวรู้มีว่าเออไอ้วิ ญ, ญญาณมันเกิดจากอายตนะหก สัมผัสกับสิ่งภายนอกมาจูงจันทร์แลวซุนหามีอีกทีพาไปบ <c oughs> ุกใหม่ <c oughs> ครับมันก็หายไปนั่นก็หายไปแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยอุปทานไม่มีหรอกไม่ไมีผู้หญิงคนไหนก็ ม, นมาร้องไห้สื่อกลางดึกกลางดึนอย่างนี้เนี่แล้วเราก็ทิง้งเขาเราก็หลับไปเขาบอกเขาได้ยินจริงๆไม่นจะอุปทานเขาอ่านหนังสือจีนอยู่นะครับเขาได้ยินจริงๆไฟก็สว่างแต่ผมก็รู้ว่าเออเขาหมายถึงผีไงแต่เราก็ไม่พูดถึงผีให้เขารู้ทําให้เกิดเกิดย้อนร่ลึกถึง ตัวเองเคยเกิดมโนมยาตาในด้านเสียงครับซึ่งมันติดหูผมเป็นเดือนนะครับเคยเขียนลงหนังสือสารานก ค, คือมันได้ยินชัดเจนแต่แต่ที่ผมได้ยินคือเสียงจริงคนพูดจริงแต่ว่าเรากลับฟังเป็นว่าอีกคนหนึ่งพูดแล้วเรื่องราวก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะแต่ที่เขาได้ยินคือเขาเขาเกิดเสียงเสียงไม่มีแต่เขาเกิดได้ยินเองแต่ที่ผมได้ยินคือได้ยินมีเสียง แต่เสียงไม่ใช่คนของคนนั้นและไม่ใช่เรื่องราวที่คนนั้นพูดคือมันเป็นไปได้จริงๆครับมันเป็นเรื่องจริงๆครับอมันผสมประซเไปแล้วเสียงมันจะชัดเจนเจ๋วอย่างมั่นใจอะอยู่เป็นเดือนนะครับมันก้องหูเป็นเดือนมันเป็นเรื่องที่ว่าผมก็เลยเข้าใจสิ่งที่เขาได้ยินเน่ยเขาได้ยินจริงๆครับมันเป็นเรื่องที่มันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่เรา ไม่รู้ว่าเรากําลังปรุงอยู่สังขารอยู่มันจริงจริงจที่อาตมายกตัวอย่างไม่รู้กี่ทีแล้วไอ้รสอร่อยที่คุณอร่อยอันไหนนี่คุณติดอันนั้นอร่อยของคุณเนี่ยมันอร่อยจริงๆทุกทีใช่ไหมแต่มันไม่หายง่ายๆ่ายเลยมันอร่อยจริงๆอนั่นแหละแต่แท้จริง่อเวลาปฏิบัติไปถึงจุดจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ไม่มีหรอกอร่อยมันไม่มีแต่มันที่ยังมีอยู่มันมีจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันหยาบกว่านี้ไอ้อร่อยนี่มันละเอียด ไอ้ที่มันยาวกว่านี้เนี่ยแน่นอนมันก็เหมือนกับรสอร่อยมันก็มีจริงแล้วคุณก็สัมผัสก็แหม่แต่มันทีไรมันก็อร่อยทุกทีแล้วมันก็ปรุงได้รสชาติถี่ตรงสเปคเราซะด้วยนะอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับการมาเรียนรู้เรื่องกายในกายหรือองค์ประชุมของจิตที่อยู่ภายในครับทาให้เรามีสติปฏฐานสี่ชัดเจนและเร็วขึ้นนะครับผมรู้สึกขอบพระคุณมากครับพ่อกรูครับอ้าวคนที่ ได้ไมโครโฟนแล้วยกมือก่อนนั่งคนพูดอ้าวเร็วบอกเลยค่ะขออกาสค่ะเนียนใจค่ะโอ้โหสามสี่คนแย่งกันเอาไมโครโฟนใครจะให้ใครคนไหนแล้วแต่ดวงใครดวงมันก็ <c oughs> มีความรู้สึกว่ายิ่งฟังในหมวดธรรมต่างๆที่พระท่านร้อยเรียงแล้วก็ทำให้ความวิตกกังวลในเรื่องของการเขียนรายงานของอา จ, อ า, จารย์ดออรอภิสินก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะเขียนง่ายขึ้นเอใช่ค่ะเพราะว่า <c oughs> ตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนยังไงะคะ่ะแต่พอฟังที่พ่ะครูอธิบายในรายละเอียดและขั้นตอนของการเห็นจิตของเราที่มันดำเนินไปตามสังกัปตปะเจตที่เราได้ได้เห็นการทำงานของจิตเนะะี่ยค่ะ มันก็เลยทําให้เราสามารถจะนําไปสื่อให้คนอื่นเข้าใจตามด้วยได้<ใ>นออี่ฮะค่ะเนี่ยเข้าใจค่มันจะมีขั้นตอนนะคะออตอนแรกที่ฉันก็เ อ, อ๊จะเริ่มเขียนยังไงดีนะออยิ่งฟังมันก็มีความรู้สึกว่าเรา เ, เริ่มเห็นทางตอนนี้ก็เริ่มตัวหัวเขียนไปได้สักประมาณเกือบครึ่งหน้านะคะตอนแรกอาจารย์บอกว่ามากสุดแต่หนึ่งหน้ า, อ ย, าอย่างน้อยสุดก็คือครึ่งหน้าอะไรองี้ค่ะแต่เวลาไปเขียนจริงๆอ่ะเรื่องยังไม่ทันได้จบเลยหมดไปครึ่งหน้าแล้ว้วะจงมันนถึ2หา ค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเขียนมาเยอะค่ะทํำไงก็ได้ให้เยอะไม่ไหวแล้วคนอ่านอาจารย์นี่ไม่ค่อยอยากอ่านเยอะหรอกอยากได้เนื้อเนื้อค่ะใช่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกประทับใจมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําว่าสัญญาเนี่ยค่ะคือสัญญาเก่าๆที่เราไปยึดหรือว่าอย่างที่พเรายึดว่าโอ้คนนี้เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละแต่บางทีเราไม่ได้ดูในปัจจุบันนะคะเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะคือในหนึ่งเวลาหนึ่งนาทีในหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งวันเน่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่ใจเราก็ยังไปยึดอยู่นั่นแหละว่า คนนี้ก็ชอบเป็นอย่างนี้คนนี้ก็ชอบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเอาสัญญาใหม่ก็คือการจัดการที่เราฟังทำเยอะๆนะคะแล้วก็เราก็เอามาปฏิบัติกับตัวเราเนี่ยเราก็เราจะเห็นเลยว่าสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญญาขึ้นเล็กๆล้มันมีปัญญาใหม่จากสัญญามันเปลี่ยนมาเป็นปัญญาละเราก็เลยเอาไปแก้สัญญาเก่าๆสัญญาเดิมๆมันมีความรู้สึกว่าเออเราเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราก็เริ่มล้างมันเป็นนะคะ เริ่มล้างของเก่าๆ เ, เป็นเราก็เลยได้อยู่กับของสดของใหม่นะค ะ, ะก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะอ้าวคนที่ได้ไมโครโฟนแล้วยกมือก่อนพูดอ้าพูดน้อมกาดโขกาดอ้าคนนี้คนที่ขาขอยกมือน้องกาดไมโครโฟนใหม่ อ, อ, อันนี้สัญญาเก่าคะ่ะที่เกิดขึ้นตอนที่เข้ามาปฏิบัติทัานนั้นอยู่ที่สัตยาโสกท่านสิริท่านก็จะเรียกไปเตวิโชโยนิโสมนักธิการ ก็แค่จะอยู่ในสมองอยู่ในหัวเลยตอนเย็นนี้ก็จะต้องไปเทวิชรโยนิโสมนสิการจับศักยะทติถิ่นตัวเองให้ได้ก็ก็จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวหลักที่จะต้องเดินของมาร์กของตัวเองตอนที่อยู่สันติอศกก็เลยมาย้อนถึงพี่ดินเย็นที่ที่ที่เรียนกับพ่อโค้งเมื่อสักครู่นี้มันเป็นตัวที่ที่ฉันต้องย้อนกลับไปตอนที่ที่ฉันเป็นช่างตัดเสื้อเราตัดเสื้อเราจะเอาเยอะๆเลยชุดหนึ่งก็ตกไปสอง เป็นพันแปดหรือสองพันแปดเงี้ยแล้วก็มีคนเย็บให้เราก็ให้เขาให้เขาไปแค่ชุดละสามร้อยนอกจากนั้นเราเอาหมด oh. Oh. มันเอาดาบยาเยอะเลยเนาะเอาเนื้ อ, เ, อเลย <laughs> แล้วพอมา oh. อยู่กับชาวโสมมันก็มันลดได้เลยมันตัดไปได้เลยพอเรามาอยู่มอบนออกไปอ่านหนังสืออยู่ภัคหนึ่ง เราว่าอยากจะเรียนมสทของรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อลราให้เราได้มีความรู้ ก, กว้างขึ้นเราจะเราจะเรียนตัวนี้ให้ได้แต่เรามีทุนมาแล้วพอเพราะเพราะว่าทางบ้านให้มา1 0 0 0 0นบาทก็เก็บเอาไว้ในธนาคารแต่แต่พี่เ้าไม่ทราบว่าเรามีเงินพี่ก็เลยหวังดีเขาบอกว่าอ้าวถ้าจะจะเรียนเธอก็ ไปหาเงินอีกรอบเปิดร้านตัดเสื่ออีกรอบดีไหมค่ะก็บอกแต่นี่ฉันบอกนิฉันไม่ขอนับหนึ่งได้ไหมพี่ฉันขออภัยนะพี่นะนิฉันไม่อยากนับหนึ่งค่ะก็เลยตอบอย่างนี้นะท่า อ, อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นความที่เราตั้งใจที่ว่าเออเรามาอยู่กับชาวโสมนี้ <c oughs> มันเป็นเป็นการเรียนรู้เรื่องอเรื่องเรามาเป็นสาธารณโพชีเมื่อเราทําได้แล้วเราจะไม่ย้อนกลับเป็นเด็ดขาด <c oughs> เราต้องทําให้ได้เป็นจุดเป็นจุดของเราไปให้ได้ เราจะไม่ย้อนอยากไปอยากได้เงินได้อีกแน่นอนอันนี้คือความตั้งใจของดิฉันค่ะครับนจะมีน้ำหนักเรื่อยๆอย่างงี้แหละเาอต่อไปคนที่ได้ไมโครโฟนแล้วยกมือก่อนพูดเขาการค่ะเกี่ยนกันที่ตอนนี้พอคนพูดแล้วที่นี้คนอื่นที่จะได้ไมโครโฟนตัวนี้ก็ยกมือย่างกันอย่างกันไปก็คงจะไม่ได้พูดเรื่องนี่นะคะจะพูดเรื่องอุทาหรณ์นะคะวันนี้ก็พอดีอาดาเย็นเพิ่งมานั่งยังไม่ทันได้ได้ฟังอะไรนะคะ กระทงก็มาเรียกว่าแม่กระววยถูกรถจักรยานชนนะคะเพราะพ่อพึ่งเดินไปมุมมุมมันมืดมันมีหลายจุดนะคะอคือหลอดไฟอาจจะขาดอะไรพวกนี้ก็เลยคิดถึงเด็กเล็กอะค่ะอเพราะว่ามุมมืดเนี่ยนูนี่ก็เจอมาสองเหตุการณ์คือคือน้องเอื้อกับน้องเจนนี่ปะทะกันแต่ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะมันมุมมืดแล้วแล้วเด็กเขาต้องพอพอเจอมุมมืดปุ๊บเขาจะเร่งเร่งความเร็วเพื่อหนีความมืดนะคะเด็กๆ ก็เลยแบบทำให้เกิดปะทะกันแล้วหนูกับน้องเจกับกับเจนี่ก็รอบนึงนะคะมุมเมื่อดีประจําเลยนะคะแล้วแล้วก็เลยเห็นกระบวยก็เก็บเจ็บเจ็บที่ชายโค้งทั้งสองข้างตอนนี้นะคะก็ว่าจะไปประชุมนักเรียนก็เลยฝากเป็นอุทางหอนนะคะช่วยผู้ใหญ่ช่วยกันดูดและะอันนี้อัตมาขอเสริมนะอัตมา ก, ก็เห็นแล้ววันนั้นก็บอกเอ๊ะใครไม่รู้ไม่รู้ไฟไออันนี้เปิดหน่อยอะไฟทางไฟเออข้างบนเนี่ย มันมืดแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี่มันเกิดเหตุแล้วใช่ไหมเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเกิดอุปตวบเหตุยิ่งกว่า น, นี้อ่ามันไม่ไม่ควรจะไปต้องเสียดายหรือใครที่พอแมจะไประบุเจ้าหน้าที่เลยมันก็ดูยังไงมีเจ้าหน้าที่ดูดคอยตามไฟเวลางเย็นอะไรเงี้ยแล้วเช้าหรือว่าสายหรือว่าสางควรปิดก็คอยปิดอะไรเงี้ย มันก็ยังไงยังไงอยู่ใครจะพอมีปฏิพานเอาภาระอะไรบ้างดูมันควรมีไฟเราพยายามติดตั้งไว้ไฟที่จะมีมันมันมีความจำเป็นแล้วมันก็เกิดมันไม่คุ้มเสียหรอกเสียค่าไฟก็เสียอสุขภาพร่างกายอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มหลายอย่างเ <c oughs> นี่ยเอาดีละได้ยำ้ำได้ อา้าวต่อมาคนที่ดัดไม โ, โรครโฟนแล้วโดยตรงนะครับว่าเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัว อ, อัตโนมัติีไฟพอดีไฟในเจ้านี่ไฟตอนแรกมันมันติดหน้างานนะครับใช้ใช้คนปิดเปิดเอาเดี๋ยวคงเอาตัวอัตโนมัติติดตั้งคงแก้ปัญหาไปได้ครับอ้าวอ า, อาดีแล้วเออสาธุดมีมากเลยเอา้อาวอ่าตัวร้องไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้ถามอะไรเอาคนที่ไมโครโฟนแล้วเร็วใครยกมือก่อนพูด จีได้แล้วเอายกมือที่แล้วก็พูดเอาใครล่ะพอการอคร๋อไม่เอาเหรอเอาพ อ, อการครับกล้าทําครับเอาเพราที่ไม่ผ่านมาเลยรับไว้ไม่ร้อยตัวต่อเอาแหม <c oughs> คนอื่นไม่ได้ยกไว้ก่อนแล้วเอาไว้ก่อนเลยเอา <ผม S 1> ดีแล้วโอ้โ ห, โหโผมก็จะชอบเล่าเรื่องเก่าแต่จะไม่แก่นะครับแต่ก็เป็นลักษณะของชอบพูดเรื่องเก่าที่ผ่านมาเปรียบเทียบนะครับสมัยก่อนผมอยู่ข้างนอกกินเหล้านี่เขาก็ว่าคนดีเพราะว่ากินเหล้าแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องมีเหากับใคร ก็สึว่าเออตอนอยู่ข้างนอกนี่เหมือนเหมือนเป็นคนดีไม่มีกิเลสอ่าแต่พอมาอยู่วัดแล้วรู้สึกเออทำไมกิเลสเยอะจังยิ <laughs> ่งทุกวันนี้เหมือนกับมีตลอดเลยอย่างเช่นที่พอท่านพูดเมกี้ว่าเรื่องจิตสังขารวิจีสังขารอายังขับรถไปอย่างเงี้ยอาเจอรถข้างหน้าแบบขับช้านี่มันจิตสังขารขึ้นแล้วเฮอ่ารถคันนี้ทําไมคนขับทําไมอ่าช้าขวางทางเพื่อนอันนี้พอจิตสังขารเรื่อยๆบางที บางทีมันก็จะออกมาวาจีสังขานบางทีก็ออกเสียงแบบเพลอไปไม่เป็นเหมือนที่พ่อท่านบอกว่ า, อ, าองค์ประชุมของจิตวิญญาณที่ที่พัฒนาในทางวิชาคือการที่จะพูดไม่ดีแต่ไม่จิตอันหนึ่งที่ยับยั้งไม่ทันอะ่ะอ้อันนี้ผมอยากได้มากแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ก็เสื้อตําห้าขยาดิแบบว่ากําลังจะ <c oughs> ได้มากอ่ะ <c> ใ <oughs> นจิตคือมันเป็นอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มากระทบปุ๊บ จิตตัวนี้มันจะออกไปปุ๊บอแต่จิตตัวที่ว่าที่ว่ายับยั้งไว้ทันนี่โอ้โหสุดยอดเดีวผมปรารถนามากเมื่อไหร่นอกจะได้หนอครับแค่นี้ครับเออเอาเราอย่าไปเชื่อธรรมาเระไปหาเสื้อตะลันขยะไม่ได้นะอเราไปหาเสื้อตามอะไรร้านใหญ่ๆร้านอะไรซอฟต์สินค้าอะไรเนี่ยไม่มีขายนะเอาดีและฝึกเอาเอาขายอีกเร็ว เอาได้แนละ้วเอาเลยพูดเลยพ่อการมัจาการพ่อท่านค่ะดิฉันก็ได้ได้ฟังวันนี้ตอนนี้ก็พระพุทธเจ้าแต่และองค์ท่านก็ต้องสอนให้โยนิโสนะมัจการนะคะโอ้โหเอาตัวยังไม่ได้พูดมาแล้วก็ทำใจทำใจในใจให้แยบคายแล้วก็ทําจิตให้สงบค่ะดิฉันก็ก็เริ่มทําอยู่อยู่นานแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยสงบแต่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะ ก็ก <ro>. ็สงบอยู่ค่ะแค่นี้เนี่ยค่ะโอ้เอ้าใครอีกได้อีกคนนึงเอาสามมือเนี่ยเอานายกสองคนข้างหลังเอาเอาเลยได้มือโฟนแล้วเอาขอการ์ดครับเอานูนอิมาโผล่ไม่เห็นยกมือเลยเป็นแกนครับเออ่เข้าใจว่าสัญญา สัญญามีทั้งสัญญาที่ที่ไม่ดีและสัญญาดีใช่สําหรับที่ผมเป็นทีมกสิกรรมชาวนานะครับเมื่อเช้าเราทํานาทํานาก็เกิดสัญญาว่าโอ้มีฝูงนกอี้เอี้ยงนะครับแล้วก็แมงกระชอนแล้วก็ไส้เดือนเยอะนะครับเอ้ยมันเป็นสัญญาที่มีมีผีเสื้อแล้วก็มีแมลงปอนะครับก็ไปเห็นท่านเกษตรสมพงศ์นะครับท่านก็ถ่ายถ่ายพูกไปด้วยมีสิ่งแวดล้อมดีมี นกมีใส้เดือนมีอะไรมีสิ่งแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเออแล้วก็ปรุงสังขารเป็นสัญญาที่ดีนะครับก็นาก็ก็เป็นแบบว่าไม่มีน้ําครับก็สูบน้ำขึ้นมาดำก็ไส้เดือนก็เยอะแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ก็อยากจะให้สักวันน้นก็ให้ภาพพูดได้นะครับพูดไปได้เป็ น, เ ป, นเป็นแบบว่ากล้องที่พูดได้แล้วก็พูดไปด้วยมีใส้เดือนมีแมกชอนมีอะไรสิ่งแวดล้อมดีบรรยากาศดีมีผีเสือดีกินมแมลงอะไรเนี่ย ท่านเกษตรหลวงพูดไปเพ ร, ราะเราก็ ห, หัวเราะไปนะครับคนไทยก็ไทยไปนะครับคนดำก็ดำไปอย่างน้นะครับเป็นบรรยากาศเป็นสัญญาแบบแบบการพัฒนาจิตใจนะครับท<อ>ี่เป็นบรรยากาศทีช่ชาวนานะครับครับนี่ครับเออเ อ, อ๊ะกําลูกดูคนกาแไทยครับหนึ่ง <laughs> เ อ, อากมือแล้วไม่ได้พูดเมื่อกี้นี่ท่นรู้สึกแสงเอาเลยน้อมกาบมรดกการท่น า, าเเนเลี้ยบุญใจคะ่ะอ่ะเียไม่รู้ว่า ก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยว่าไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ปึกขนาดนี้ได้ยังไงประมาณนั้นนะคะอ<า>เอ๊ะเราไม่รู้มากขนาดนี้เลย เ, ลยเร า, าเรากิเลสแปลให้หน่อยนะปึกคืออะไรแปลให้หน่อยมันงง่อนท่านไม่รู้มากมากขนาดนี้เลยนะไม่เคยเปิดเลยนะคะหนังสือเล่มนี้เข้าวัดมาเป็นเกือบ20ปีดิไม่ไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นความสําคัญนะคะมางานนี้ก็เลยโอ้ มันมากมายจริงๆแค่เมื่อวันก่อนบรรจันนะคะไปเสพเสพแบบมันเสพไม่ยอมอิ่มค่ะท่านไปเห็นป่าที่ไวพลังน้ําไหลสวยสวยอ้มันมันไม่อยากเข้ามาในวัดนะท่านมันอยากอยู่นานๆมันไม่ยอมอิ่มมันยังมันยังไม่อยากมาค่ะท่านแต่ว่ามันได้เวลาต้องมาทํางานต้องทํำนู่นทํานี่กิจกรรมเราก็จะดําเนินไปแต่มันยังไม่ยอมอิ่มค่ะท่านทํำยังไงคะท่านมันมันมันไม่จบค่ะท่าน เรียนไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องพิจารณาเห็นมันกัตมาก็รมมรู้จะไปพูดยังไงกัตมากรรมจะวนอยู่ในแผ่นเสียงตกลงเนี่ยกูก็ต้องเห็นว่ามันไม่จริงมันก็มันก็มันมันไม่อิ่มแต่มันไม่อิ่มนะคุณไม่วางมันมันก็เสีบติดอยู่นั่นแหะมันก็เตดมันก็ดูไปมันก็เสีไปมันก็ยิ่งติดมากมันก็ยิ่งอยู่อย่างงั้นน่ยก็คุณก็ลองวางลองปล่อยดูว่าเออมันไม่น่า ลองคิดดูว่าท่านพระพุทธเจ้าท่านให้ให้ให้ใหปรองแม้จะเป็นตัวแค่บัญญัติมาห้ามมันเป็นอสุภะมันสิ่งไ ม, ไม่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นมันเป็นปีเคียงเหตุผลลราขึ้นมาก่อนแล้วท่านก็หาเหตุผลให้พิจารณาไปมันไม่ไม่ไมเที่ยงหรอกมนันต่อไปมันก็เปื่อยก็เน่าก็ผุ ก, ก็พังก็ไม่ใช่ของจริงมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานอ่ามันก็สลายไปมันไร ท่านก็ให้พยายามพิจารณาพยายามเนี่ยตัวจบมันอยู่ที่ว่ามันไม่เที่ยงหนึ่งมันไม่ใช่จริงมันไม่มีของจริงมันไม่ตัใช่ตัวตนจริงเนี่ยสองอันใหญ่ๆเนี่ยนอนนั่นก็รายละเอียดที่มันจะมีระดับอะไรก็ค่อยว่าแล้วแต่จะได้ขนาดไหนตัวจบมันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยต้องเห็นจริงๆแล้วต้องพยายามทําความเข้าใจว่าเออมันจริงตรงไหนมันไม่จริงตรงไหนมัน เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปถึงแม้ว่าจะยึดอยู่นานก็เพราะเราหลงติดอยู่นานแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ดีอะ อ, ะอะไรต่างๆแม้แต่คุณว่าคุณเดี๋ยวจะไม่นอนแล้วจ ะ, ะจะตั้งหน้าตั้งตาเสพดูเนี่ยมันก็ต้องง่วงต้องนอนอยู่ดี อ, ะ, อะไรงี้เป็นต้นมันไม่เที่ยงหรอกหรือมันมีอะไรมาตัดรอนเขาก็ต้องเปลี่ยนไปละ มันไม่ใช่ของคงทนมันไม่ใช่ของที่จะปีอย่างนี้หรือสังเกตให้ดีแต่ละอารมณ์คราวนี้มันเออรู้สึกว่าดูดดึงข้าวต่อๆมามันก็ไม่เท่านี้ดีไม่ดีบางครั้งมันแรงกว่านี้มันไม่ได้เที่ยงอ่าเพราะงั้นถ้าเผื่อควาสามารถที่จะเกิดพลังของปัญญาที่ชัดเจนมันจะลดลงลดลงไม่เที่ยงคือมันลดลงได้สุดท้ายจริงๆมันไม่มีคือมันไม่เที่ยงจริงๆแล้วมันก็ถึงขั้นไม่มีไม่มีตัวตนนี้จริงๆ มันไม่เที่ยงจิงตก่อนเนี่ยเรายึดมันมีมันเป็นมันมีแต่พอแต่พอมีงานอื่นมามันก็ลืมไปเลยท่านเปลี่ยนไปในนี้อ้ามันยังไม่ได้ล้างหมดนะท่านใช่คือในความเป็นจริงของคนมันเดี๋ยวอันนี้อันนู้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ได้มีอะไรอยู่นิ่งเอาหลังนดยกมือแล้วโอกาสค่ะดาวเย็น ถูกพาดพิงขอรายงานต่อหน่อยนะคะครับเพราะก๊สค่ะก็ไม่ได้เข้าห้องเรียนนะะพอดีที่จริงวันนี้ลูกชายเขาตั้งใจจะมามานอนที่เรือนศูนย์นะคะก็ก็เลยเรียกว่าเป็นผัดสะรองของเขามั่งและรองของแม่ด้วยนะคะทำไมเจ็บมากเลยก็ถลอกใต้ราวนมขวาค่ะแต่ก็ไม่ไม่หักค่ะไม่หักแล้วก็หัวไม่กระแทกก็ถือว่าเขาก็เข้มแข็งอยู่นะคะเพราะเขา เขาพอได้กินยาหมอแตงนะหมอแตงให้ยาสมุนไพรละลายเลือดเขาก็คือเขาเขาไม่ให้ดท่านอยู่เฝ้าไม่ให้อยู่เฝ้าแล้วก็ไม่ไม่ต้องนอนเพราะเขาจะนอนคนเดียววันนี้เขาตั้งใจมานอนคนเดียวค่ะแลก็เลยคิดว่าก็คงไม่แพ้เ้าหนะเขาคงไม่แอบเฝ้าเขาหรอกน้องท่านเพราะคือคือที่ท่านก็คงกลับค่ะก็ใครอยู่ข้างบนก็ฝากดูเขาด้วยคนะ คิดว่าคงไม่มีอะไรมากมายคะเพราะว่าเห็นใจเด็ดเดี่ยวเขาดูแลมั่งแม่จะเป็นแม่อยู่คนเดียวให้คนหนึ่งก็เป็นแม่มั่งเนอะคือเห็นใจเด็ดเดี่ยวของเขานะ่ะก็เลยขนาดลูกเขายังใจเด็ดตั้งใจแล้วเขาก็เขาก็ไปปารบตั้งแต่เมื่อคืนเก็บข้าวเก็บของแล้วไปถูกใจป้าเราองบุญชวนนะคะว่ากับไว้ก็เป็นเด็กบ้านราษนะเกิดกับบ้านราษอย่างงู้นอย่างนี้ก็น่าจะมา ไม่ต้องให้พ่อแม่ลำบากไปสูงไปรับอะไรมากหรอกถ้าพ่อแม่มาไม่ทันก็มานอนกับป้ากับโไว้เขาก็เลยศรัทธานะคะก็เลยอข้าวเอาของมายำนอนเลยค่ะก็ขอพระคุณทุกท่านค่ะอ้าวนี่อ้าวทีนี้สมณะสิกมากนักบวชมากอ้าวใครเอาก่อนสิกมาสมณะมนีใครัวอไง ไม่มาที่ทางศิกขามาเนี่ยไม่มีอ้าวไมมาที่เอาเอาก่อนเลยทางสมณะมีแล้วเอา<ข>อไปไปทางศิกขาม า, ม า, ม า, าที่หม่มขอการพักมู่สมณะศิกขามาเจริญธรรมพวกเราทุกคน <c oughs> ฟังธรรมเรื่องเรื่องอะไรวันนี้เรื่องพุทธิศิวสินนะก็ฟังมาหลายทีเนีเรื่องสังขารเรื่องเก็ <c oughs> เรื่องนี้รฟัง ก็ฟังแล้วก็อยากจะฟังอีกนะเมื่อเช้าก็เดินออกกำลังกายก็เห็นรถขนขยะเรืออะไรมันวิ่งไปแล้วก็มีควันควันไอเสียไอเดียที่มันออกมานะไอสีไอเียสมัยก่อนเมื่อยังเมื่อหสิปีที่แล้วโน้นนะตอนนั้นอายุห6เจ็ขวบนะเห็นรถรถเอดีเอซของทหารไปขนข้าวนะขนข้าวช่วยชาวนาสมัยก่อนน่ะ เวลามันมันปล่อยควันไอเสียออกมาเนี่ยกลิ่นมันจะหอมนะอ๋อเพราะว่าเราไม่รู้ไงต ด, ตดหอมรถตดหอมเพราะว่าเราไปสังขารว่ามันมันดีไงเพราะว่าเขาช่วยชาวนาขนข้าวอะไมันดีไงเราก็สังขารว่าเขาเขามาช่วยนี่เป็นความดีไงมันก็เลยสังขารมันก็เลยหอมไงแต่ทุกวันนี้มันเห็นแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยไงก็เราไม่ได้สังขารให้ ให้มันเป็นดีมันก็เลยเกิดอาการอะไรอ่ะเห็นเป็นพิษเป็นภัยนะกิเลสมันก็จะบอกอย่างนั้นน่ะถ้าเรารู้แม้แต่แม้กระทั่งนั่งรถเนี่ยรถคุณปู่ไงนะเวลาไปกับพ่อเนี่ยพ่อกูขับเนี่ยไอ้น้ำมันเนี่ยน้ำมันบินซินนะสมัยก่อนนี่หอมนะก่อนนี่หอมมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไง แต่พอเรารู้แล้วเนี่ยโอ้โหพอขึ้นไปนะพอลงจากรถนะมันจะเวียนหัวนะเพราะมันเมาไงเมาควันนะแต่ทุกวันนี้มันก็ไปลดชัไ อ, อ้สิบสองโวล์เนะี่ยมันก็ดีขึ้นนะอันนี้เรื่องของเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของสังขารที่ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันกลับกลับ <c oughs> อะไรพวกนี้ ถ้าเรารู้เราเลิกละได้เรียนรู้เรื่องกิเลสนะสังขารสังขารที่มันเป็นอวิชชาอะไรพวกนี้ถ้าเราลดละอย่างตะมาลดละกิเลสเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตะมาตักก๋วยเตี๋ยวแต่ตะมาจะไม่ใส่พวกไอ้ไอพริกอะไรนะน้ำส้มอะไรพวกนี้จะไม่ใส่เลยแล้วต่อไปมันจะไม่หยิบหรกก๋วยเตี๋ยวอะ่ะพอ ก, กินแล้วมันจะจิเจนะิด แต่มันก็จะเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นในอะไรอ่ะอีกอันนึงที่ใส่น้ำเออสุกี้ยากี้อะไรพวกนี้นะถ้าไม่ใส่น้ําเหมือนกันเลย <c oughs> นะเที่ยงเราไม่ ไ, ไ, ไม่ยิ่งหนักเลยสุกี้ยากี้ยิ่งหนักเลยเที่ยวถ้าไม่ใส่น้ำโตฮูเนี่ย <c oughs> นี่เรา <c oughs> เราโตฮูยี <c oughs> ่เราจะจับได้เลยว่ากิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอก <c oughs> ถ้าเราตั้งใจสู้นั่นจะไม่นั่นเลยยเมื่อก่อนยังเนี่ยยังมักเขียบเนี่ย อย่างลิ้นจี่อย่างลําไยอะไรพวกนี้อย่างส้มโออะไรพวกนี้เห็นก็เฉยๆอ่ะแต่เมื่อก่อนไม่ได้นี่เห็นนี่มันต้องอยากซื้ออยากกินนะแต่เดือนนี้ให้มากินยังไม่กินไม่ได้เลยเพอกินคอยรำําญแฉะนะอย่างลําไยเนี่ยมันหวานหมักที่ควนเนี่ยกินไม่ไม่ได้มีรสอะไรเลยนะ <c oughs> ถ้าเราตั้งใจจริงๆในกิเลสเนี่ยสู้เราไม่ได้คนต้องเก่งกว่านะแต่ว่า ถ้าคนไม่สู้กิเลสมันก็เก่งกว่าเจริญธรรมเอาว่าไงสำหรับกันศิกามาตยเอาเลยกราบน้ำพระสการพ่อครูค่ะท่านสมนาท่านศิกามาตค่ะเจริญธรรมค่ะนิสิตชาวชุมชนทุกคนค่ะอันวันนี้รู้สึกว่า ประทับใจหรือว่าเข้าใจมากขึ้นเน่ยนะคะเรื่องมิจฉากับสัมมานะคะที่พ่ะครูนิยามศัพที่ว่าเพราะมีอวิชชาจึงทำให้เกิดวิญญาณผีเอ้ยจึงทำให้เกิดสังขารผีแล้วทำให้เกิดวิญญาณผีแล้วก็เพราะดับอวิชชาจึงทำให้ดับอวิ ไม่ใช่เพราะมีอวิชชาอตอนนี้กําลังตื่นเต้นมากเลยนะมันมันมันเข้าสู่เนื้อหาเร็วเกินไปเพราะมีวิชานะคะก็ทําให้เกิดสังขารผีสังขารผีก็ดับไปเพราะสังขารผีดับไปวิญญาณผีก็ดับไปเนี้ก็รู้สึกว่า เออมันง่ายๆนะคะรู้สึกว่าฟังเข้าใจง่ายมากขึ้นนะก็ก็รู้สึกว่าเออก็มาเข้าใจเรื่องสัมมาอีกกันนะคะที่ว่าเพราะมีพอ ม, มีสัมมาเนี่ยมันก็ทำให้มีวิ ช, ชาใช่ไหมคะทึงทให้มีวิ ช, ชาเพราะ อ, อ, อะไรนะวิ ช, ชามันก็ทำให้ เ, เกิด อวิชานะคะตอนนี้ก็อันนี้ก็จะถามพ่อครูนะคะก็คือในเรื่องสมมติว่านี่เรื่องเดียวกันนี่นะคะในเรื่องเดียวกั น, น, ะะ น, รกนหรือว่าบุคคลคนเดียวกันเนี่ยบางครั้งพอเราผัสสะแล้วเราก็ อ, อ, อะไระเหมือนมันมีไม่ได้เกิดสังขารที่เป็นผีนะคะ ไม่ได้เกิดสังขารที่เป็นผีวิญญาณเราก็ไม่ได้เป็นผีเราก็รู้สึกว่าเป็นมิตรเป็นอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนเรามีสัมมาแล้วนะคะเหมือนเหมือนว่าเรามีสัมมาดีแล้ววิญญาณเราก็เหมือนกับสัมพันธ์ดีแล้วแต่บางครั้งอะ่ะมันก็ในอันเดียวกันเหตุป Ready ั Perfect ปจจัยเดียวกันเราก็เกิดผีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดสังขารไม่ดีม่วิญญาณเราก็เกิดไม่ดีแล้วเราก็ อยากจะอะไรมีวจีสังฐานที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราสัมมาแล้วมันก็ยังเป็นมิจฉาอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะในเหตุปัจจัยเดียวกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่แน่ไม่นอนถ้ามันยังไม่แน่ไม่นอนมันยังไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นหรือก็ยังลังเลที่ถามอยู่นี่ก็แน่นอนมันจะมิชฉาอยู่แต่ถ้ามันแน่นอนมันจะไม่ถามอย่างนี้ มันจะเข้าใจแล้วอ๋อจิตเรามันไม่เป็นอย่างงี้เนี่ยมันสะพัดแล้วมันก็เป็นเป็นอย่างที่มันเป็นคือมันไม่ไปคิดชังยิ่งไม่คิดรักการสัมพันธ์กันเป็นความรักอย่างมิตรรักอย่างปิยกัลย์น่ะสัมพันธ์กันเจตนาดีต่อกันมีเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายอันนี้เป็นธรรมชาติต้องอาศัย ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าจะไม่แ ผ, ผ feels, ่พระอรหันต์ก็ต้องอาศัยอยู่กับมวลหมู่ก็คือต้องพึ่งพากันช่วยเหลือกันเสสละกันไปถ้าใจจืดใจดำเฉยอะไรก็เฉยเฉยเฉยไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีอะไรอันนั้นไม่ใช่ระบบที่มันจริงมันไม่รู้จักสมมุติมันไม่รู้จักความอาศัยมันต้องรู้จักความอาศัยหรือว่าสิ่งที่เราต้องอาศัยสิ่งที่มันควรจะต้องอาศัยกันอย่างไร ข้อสำคัญก็คือก่อนจะอาศัยเนี่ยเราต้องล้างกิเลสที่มันทั้งปลักทั้งดูดทั้งดูดทั้งปลักต้องล้างออกจริงจก่อนท่านถึงมีในใ น, ในยานปัญญาโสรจานเวทปัสนญาณเก้าต้องเห็นต้องวางต้องปล่อยไปซะก่อนจนกระทั่งถึงมูลจิตตุก็มายตยานยานที่ปล่อยวางจืดไปแล้วจึงทําซ้าให้อุเบคาแข็งแรง ถึงจะอนุโลมถึงจะยืดจยุ่นจะอนุโลมว่าเออจะช่วยเหลือเพื่อฝ่ายผู้อื่นอย่างนน้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเองเราจะจะเห็นแก่ผู้อื่นตาพฤ้แล้วก็กดข่มตัวเองมันไม่ได้นะมันได้แต่กดข่มเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้นมันจะต้องเห็นจริงแล้วเออจิตเราลดต้องล้างล้างก่อนจริงๆ จ, จะกดข่มเพื่อปฏิบัติ แล้วก็พิจรารณาได้ปัญญาจนกระทั่งมันลดละจางคลายขึ้นไปจนเห็นนะเออมันเบาบางหรือมันหมดแล้วจึงค่อยๆทาอนุโลมขึ้นต้องชัดเจนในอะไรก่อนอะไรหลังจะทําอะไรก่อนอะไรหลังให้ชัดนะไม่เช่นนั้นมันจะไม่เที่ยงมันจะไม่ได้ระบบที่มันจะแข็งแรงเร็วมันเป็นพวกวิตกกะจริตเดี๋ยวโน้นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโน้นเดี๋ดับไปกระปาไม่มีอะไรลงตัวไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแท้เลย ไม่มีอะไรลงหลักปักแง่งมันก็ไม่แน่ไม่นอนไม่เมันมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เจริญอันนี้ก็ต้องขยายความอธิบายสู่ฟังในวิธีปฏิบัติมค่ะกระพาอกานนะคะค่ะเจริญธรรมพุทุกคนนะคะพูดถึงเรื่องจิตสังขารวันนี้มันมีจิตสังขารเยอะนะะก็ขอคุยนิดนึงก็แล้วกันนะคะเมื่อเช้าได้ไป ไปถากหญ้าแพ ผ, ผักนะคะหญ้ามันก็เยอะผักบุ้งมันก็เยอะนะคะแล้วก็มันก็ปราบปราบยากมากเลยนะคะกระชูดเยอะนะกระชูดกระชูดในในตรงนี้ก็เยอะอีกเปนเลยกระชูดค่ะก็เลยนึกถึงว่าคือช่วงที่เราไปไปที่อยู่ที่ราชดำเนินกันพกเพื่อเราก็ไปด้วยนะคะแพมก็ค้างโคกนะคะไม่เป็นไรค้างโคกค้างโคกปล่อยให้มันน้ําขึ้นก่อน <c oughs> แล้วค่อยให้มันลงตอนนี้มันก็ลงแล้วนะคะ ท่แพกอันนึงแล้วก็พอกลับมาแล้วก็ปลูกผักก็ได้รับประทานพอสมควรปุมเมื่อเทศก็ระโดกอ่ะ น, นะคะทีนี้พอช่วงงานอสูรลํำลึกเขาก็จะใช้เป็นเวทีเขาเอาไปที่ริมมูลจากเดือนมิถุนากรกฎาแค่สอ2เดือนกว่านะคะที่เราไม่ได้ดูแลมันเนี่ยหญ้ามันขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ผักบุ้งก็เยอะเวลาจะไปถากหญ้านี่มันก็จะ มันต้องใช้เวลามา ก, กอะ น, นะคะจิตมันก็คิดนึกถึงกิเลสอะนะคะคือถ้าเราถ้าเราปล่อยปล่อยมันไว้ในะเวลามันขึ้นมาในใจเรานี่ยถ้าเราปล่อยเลยตามเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นอะนะคะนึกถึงผักบุ้งข้อเดียวนี้นะคะมันก็แผ่ขยายไปแบบกว้างขวางมากเลยเพราะจำได้ว่าตอนที่จะเอาแพ่ไปที่ริมโมนนั้นอะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะก็เลย ก็เลยดํก็เลยคิดอ่ะนะคิดคิดตรงที่ว่ากิเลสมันก็คงเหมือนกันอ่ะนะคะถ้าเราปล่อยปละละเลยนะแล้วก็เวลามันขึ้นมานี่เราก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวกันจะ ไ, ไปทําอย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยนะคะมันก็คงไม่ต่างจากผกบุ้งที่เราเลยที่เราเจอ <laughs> อย่างปัจจุบันนี้นะคะไปทําสองสวันแล้วมันยังได้ไม่ยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้เสร็จเลยนะคะก็เลยนี่คือข้อคิดที่ได้จากการจิตสังขารวันนี้ค่ะทุกคุณค่ะเออนี่เทียบเคียงไง่านี่เห็นชัด ใครจะไปปล่อยไว้ก่อนไว้ก่อนก็เชิญนะก็ขอการอ้าวเขาก็ดูฟังที่พ่อครูย้ำแต่ละวันแต่ละวันในสิ่งที่เป็นสมาธิกับมิจฉาทิฐิซึ่งมีความแตกต่างจากทั่วทั่วไปที่ว่าทั่วๆไปทั้งโลกเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าแนวทางที่พ่อครู อธิบายเรากับความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยจะต่างกันอย่างอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าประเด็นที่แตกต่างเนี่ยก็คื อ, อ, อจะเน้นเรื่องเน้นเรื่องการจัดการกับกิเลสแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาใช้ประโยชน์ซึ่งซึ่งคนทั่วๆตํานักอื่นๆเขาก็ไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ตักกะอย่างที่พ <S <S อ่อบุ๊คบอกว่า ใครเชื่อว่าจะได้ไหมเนี่ยนะจะได้ไหมคือเหมือนกับนรกสวรรค์ที่ว่าอยู่อะไรอะไรก็อยู่ที่จิตอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับไอพ้พวกเราพวกพูดกันเนี่ยมันเหมือนกับตา ก, กะหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าการจะจัดการกิเลสเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ง่ายจริงๆแต่ถ้ามาดูวิถีชีวิตของพวกเราก็อุดมสมบูรณ์กว่าคนทั่วๆไปเยอะแยะอย่างที่ ดิเย็นพูดถึงเรื่องปฏิสสุรุษบาดนางเล็ดเนี่ยนะ <c oughs> คือคือเหน็นได้ว่าจริงๆนะพิจารณาจริงๆก็จะยากมากวันหนึ่งอาหารการกินเนี่ยเป็นสิบสิบอย่างาจะพิจาราณากันยังไงไหวพี่นางเลสอาจจะไหวแต่อีก8ปดอย่างก็ต้องรีบกินมันมันมันคือก็มีแต่ของอรอ่อยอร่อยของดีๆทั้งนั้นเลยอยู่เต็มไปหมดเลยเราเราจัจะพิจาราณากันยังไง ตัง้งตัวนี้มันหนักกว่าเพื่อนคือคือคู้สึกว่ามันยอะล้วแต่ถ้าพิจารณาดูวิถีชีวิตดูความโดนสมบูรณ์ของพวกเราจนบางคนที่เข้ามาอยู่วัดในใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะงงเลยคือเขาเป็นเศรษฐีระดับนะหลายหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านแต่มาเจอพวกเราเห็นตึกนั่นตึกนี่ก็อยากจะได้เห็นไอ้นี่ก็อยากจะได้เห็นนู้นก็อยากจะได้เขาก็งงๆเลยว่าอะพวกนี้เหมือนกับ เขาเป็นเท่าแก่ใหญ่ก็ยังไม่เคยกล้ากล้าจะพูดเลยแต่พวกเราไม่มีสตังค์แต่ว่าอที่แปลงนี้สามสี่ล้านเดี๋ยวซื้อเลยตผมเงนินห้าล้านเดี๋ยวซื้อเลยอะไรเนี่ยเขาฟังพวกเราพูดแล้วเขารู้สึกว่าอืขนาดเท่าแก่ใหญ่ยังก็ไม่ค่าเท่าไหร่ใจไม่ถึงพวกเราเท่าไหร่เอแต่สิ่งเดียวนี้ตั้งข้อสังเกตตอนนั้นเองว่า อ, อวิถีชีวิตของเราที่ผ่านไปวันวันวั น, วนเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ได้ คิดที่จะจับกิเลสแล้วก็้าคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าสิ่งที่เราทำแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราจะช่วยคนนี้เ ร, นนเราจะทำดีอย่างนั้นเราจะทำดีอย่างนี้เราไม่ได้เอาเงินทอนเขาหาตัวเราเองมันก็เป็นเรื่องความดีงามนั่นกันเลยล้วก็ไม่สุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าจะจับกิเลสตรงไหนเรามันก็จะต้องฟังอวิชชาสวดนี่ทำ้ำๆๆๆๆๆอยู่แล้วแล้วลปฏิจสมบัติแล้วแล้วๆ ทังขานแล้วๆๆอาวิชาแล้วแล้วเล่าแล้วเขาก็จะไม่เชื่อเราเหมือนกันว่าเอจริงๆรักกิเหลสได้จริงหรือเปล่าคิดจะรักกิเลสได้จริงๆริงหรือเปล่าลองภาษสะดูนะลองแตะกันดูเนี่ยจริงๆแล้วก็มาอ่านจิตอ่านใจหรือเปล่าถ้าบางทีบางทีคนข้างนอกเขามาดูเวลาเราถกเถียงกันเนี่ยนะก็คงจะคนข้างนอกเราก็เขาไม่รู้เรื่องเราอะไรเนี่ยเขาจะรู้เส็กเลยว่า โอ้โหเราแรงๆจริงๆขนาดที่เช่าเรื อ, อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นเองว่าถ้าเราจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ได้รู้ได้ไง่ายๆแต่จริงๆแล้วก็มีกัลยาณมิตรเนี่ยพร้อมที่จะบอกพร้อมที่จะแนะนําพร้อมที่จะให้สัญญาณเราอยู่ตลอดเวลานะและเร า, าก็จะเห็นได้ว่านักรบของเราที่เหมือนนักรบที่เจออุปัตถวะเป็นนักบินที่ ตกมาตายหรือต้องหลุดออกไปจากหมู่กลุ่มเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วคือว่าไม่สามารถรับสัญญาณจากเพื่อนจากกาลยาณมิตรหรือแม้แต่จากพ่อครูหรือแม้แต่จากใครๆที่ช่วยบอกกันเยอะแยะเนี่ยเราก็ไม่สามารถรับสัญญาณที่ช่วยแนะนําได้อย่างนั้นกิเลสก็ก็สามารถจะมาทะลุทะลวงแล้วก็เอาตัวพวกเราออกไปจากหมู่กลุ่มได้อันนี้เห็นถึงว่า ถ้าเราไม่คิดจัดการกับมันจริงๆเนี่ยมันก็ตามไล่ล่าเราแล้วเราจัดการแล้วจัดการกับเราแล้วเราเองก็จะไม่ได้แตกต่างจากที่ น, นอื่นนะที่อื่นเขาก็มีตักกะมีอะไรของเขาเหมือนกันแต่มาของเราเองก็จะเดินตามรอยตรกกะที่พ่อครูสอนมาแล้ววันเราก็จะใช้ตักกะไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดจัดการกับกินเลอะไรเพราะทุกอย่างมันอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมาย วิถีชีวิตก็เข้ามีกินดินมีเดินแดดมีสองพี่น้องมีเสร็จอย่างพ่อครัวพูดมันก็สบายดีสบายกว่าก็น้องเยอะแยะแล้วจะจัดการกับกิเลสตรงไหนเนี่ยก็จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่หาทางที่จะตั้งตอนอยู่บนความลำบากก็ผมจะเป็นแดดติกรมาพ า, กากแก้าพูดปล่อยแหากระ บ, บุนขึ้นจนเยอะแล้วเอาเอามัน อ, ออกจริงๆสุดท้ายก็อเอามันออกอยากเหมือนกันครับผมมีตอนนี้นะครับอือา้าเละด้ยเวลาไปเกือบ ไม่ถึงเกิดมันเดือนนวนนาฬิกาเรือนนวนมันเลย15้านาทีไปแล้วอ้าวสหรับวันนี้ก็ไม่สรุปแล้วหมดเวลาก็เอาเพียงตอนนี้จบเพียงตอนนี้จเจริญธรรมทุกคน